เดีย๋ยวนี้มีถ่ายทอดสดทุกวันถ่ายทอดสดทางเฟ e บุ๊กกับยูทูบสองโมงถึงสี่โมงอยู่ที่บ้านก็ติดตามได้ที่ไหนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั่วโลกติดตามได้ส่งข้อความเข้ามาถามคำถามได้อันนี้ก็เป็นการพัฒนาการของทางด้าน เครื่องม้าเครื่องมือทาให้ชาวพุทธเราสามารถฟังเทศฟังธรรมกันได้ตลอดเวลาสมัยก่อนนี่ต้องไปวัดที่เดียวถึงจะได้ฟังธรรมกันเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีสื่อต่างๆญาติโยมก็อ่านหนังสือไม่ได้ต้องฟังอย่างเดียว เราก็ต้องไปวัดจึงมีวันพระขึ้นมาวันธรรมรัตตะวนะแปลว่าวันฟังธรรมวันที่ญาติโยมหยุดภารกิจการงานชาวนาชาวไร่พ่อค้าแม่ค้าหยุดทางานเพื่อที่จะไปฟังธรรมไปวัดกันพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติวันพระไว้อาทิตย์ตันหนึ่งครั้งเพื่อจะได้ มีแสงสว่างแห่งธรรมได้ยินได้ฟังธรรมจะได้ปัญญาได้ความรู้เพราะไม่มีความรู้อะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าเท่ากับความรู้ทางธรรมความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ <c oughs> เป็นความรู้ที่พวกเราไม่รู้กันไม่มีใครรู้กัน สถานที่ศึกษาต่างๆนี้เขาไม่ได้สอนธรรมเขาสอนความรู้ทางโลกทางด้านวัตถุทางด้านวิทยาศาสตร์ประวัติศาสตร์สังคมศาสตร์ภูมิศาสตร์บัญชีอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่เหมือนกับวิชาทางธรรม ว, วิชาทางธรรมนี้สอนเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของพวกเราส่วนวิชาทางโลกนี้จะสอนเกี่ยวกับเรื่องดินน้ำลมไฟเรื่องวัตถุต่างๆผลิตวิธีการผลิตวัตถุต่างๆผลิตรถยนต์ผลิตสินค้าอะไรต่างๆเองเกี่ยวกับเรื่องพาะปลูกต้ออนไม้พาอปลูกข้าว กเกษตรกรรมคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางดินน้ำลมไฟทางวัตถุแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องทางจิตใจทางจิตใจนี้ไม่มีใครรู้ว่าเป็นอย่างไร พวเรามีจิตใจกันทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าจิตใจเราเป็นอย่างไ ร, รงเราคิดว่าเรามีร่างกายเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเราไม่เห็นจิตใจเราเลยไม่รู้ว่าเรามีจิตใจหรือไม่มีจิตใจหรือว่ามีจิตใจแล้วจิตใจอยู่ตรงไหนส่วนใหญ่ก็ไปคิดว่าจิตใจอยู่ที่ร่างกายมาพร้อมกับร่างกาย เกดขึ้นมาพร้อมกับร่างกายแล้วก็ตายพร้อมกับร่างกายไปคนเลยไม่เชื่อเรื่องเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดพราะคิดว่าเมื่อร่างกายนี้ตายแล้วก็ทุกอย่างก็จบสําหรับคนคนนี้อสําหรับตัวเรา พอร่างกายเราตายไปเราก็คิดว่าเราจบไปกับร่างกายแล้วเราใครจะไปรับผลบุญผลบาปที่ทําปไว้ใครจะไปนรกใครจะไปสวรรค์สวรรค์อยู่ที่ตรงไหนนรกอยู่ที่ตรงไหนสมัยนี้นักวิทยาศาสตร์เขาสามารถส่งจรวดขึ้นไปในอาวากาศได้ก็ไม่เห็นมีสวรรค์อยู่บนบนอากาศ สามารถใช้เรือดำน้ำลงสู่ทะเลมหาสมุทรลงใต้น้ำลึกขนาดไหนก็ไม่เจอนรกถ้าคิดว่านารกอยู่ข้างล่างสวรรค์อยู่ข้างบนเขาก็ไปมาแล้วสวรรค์ก็ส่งจรวดขึ้นไปจรวดก็เจอแต่โลกกลมๆเช่นโลกพระจันทร์โลกอะไรต่างๆถ้าลงไปใต้น้ำก็มีแต่ พปลาถ้าเจาะลงไปในดินก็มีแต่น้ำมันก็เลยไม่รู้ว่านารกอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ตรงไหนกันก็เลยเขาเลยไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เขาคิดว่าเป็นความงมงายของคนโบราณที่ไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก็ไลยถูกคนบางคนบางกลุ่มหลอกตั่งตัวเป็นศาสดาเช่นพระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนาหรือพระมูหัมมัดเป็นศาสดาของศาสนาอิสลามพระเยซูเป็นศาสดาของศาสนาคริสต์เขาคิดว่าบรรดาศาสดาเหล่านี้ก็แต่งเรื่องขึ้นมา หลอกให้คนทำความดีไม่ให้ทำบาป ก, กันเพื่อจะได้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ไม่มีผลอะไรมากไปกว่านั้นผลที่เกิดจากการทำความดีก็ทำให้สังคมอยู่กันร่มเย็นเป็นสุขการที่ไม่ทำบาป ก, ก็ทำให้สังคมไม่ไม่เดือดร้อนอยู่ด้วยกันอย่างสบายหลังตายไปแล้ว ผลที่เกิดจากการทำความดีหรือทำบาสนี้มันไม่มีไม่รู้ไม่รู้ว่าสวรรค์มีหรือเปล่านารกมีหรือเปล่าแล้วผู้ที่ไปรับผลของบุญของบาคือไปสวรรค์ไปนรกก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนี่เพราะว่าเขาไม่ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงตัดสัรู้เห็นจริงๆว่านรลกมีจริงสวรรค์มีจริงว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงก็คือเราเนี่ะพวกเราทั้งหลายนี่แหละแต่พวกเรานี้ไม่ใช่ร่างกายที่พวกเราเห็นกันนี่ร่างกายนี้เป็นเพียงคนรับใช้ของพวกเราอีกทีหนึ่งพวกเราคือจิตใจ แต่ว่าจิตใจของพวกเราไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับร่างกายเรามองไม่เห็นไม่สามารถที่จะมองเห็นจิตใจของเราได้ด้วยตาของร่างกายเราจะสามารถมองเห็นตัวของพวกเราได้เห็นจิตใจของพวกเราได้ด้วยตาของเราเองกาเรียกว่าตาในหรือตาทิพย์พวกเรามีตาทิพย์ แต่ตอนนี้าตาทิพยของเราปิดอยู่ปิดด้วยความมืดบอดปิดด้วยความหลงเปิดด้วยความไม่รู้อวิชชาแปลว่าความไม่รู้โมหะแปลว่าความหลงหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันก็เลยมองไม่เห็นตัวเราเองแต่พื่องักปราดอย่างพระพุทธเจ้ากับพร ะ, พระอาจารย์ตัสสาวนี้ท่านเห็นตัวของท่าน เพราะท่านมีวิธีเอ ม, มองตัวของท่านท่านหาท่านพบกระจกที่จะทําให้ท่านเห็นหน้าของท่านเห็นตัวของท่านเหมือนพวกเรานี้ถ้าไม่มีกระจกเราก็จะไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นยังไงอาศัยเนสมัยนี้มีคนก็ผลิตกระจกขึ้นมาเราเลยสามารถเห็นหน้าตาของร่างกายได้แต่ก็เห็นเพียงร่างกายกระจกนี้ไม่สามารถทําให้เราเห็น ตัวเราที่แท้จริงได้ก็คือใจกระจกที่จะทำให้เราเห็นตัวเราที่แท้จริงคือตาทิพนี่ต้องอาศัยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่จะทำให้เราเปิดตาทิพขึ้นมาท่านถึงบอกว่าธรรมนี่เป็นเหมือนกักบกระจกสองใจเป็นแม่นสองใจเป็นกระจกสองใจ เราอยากจะเห็นใจเห็นตัวเราว่าเป็นอย่างไรเราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องสร้างธรรมขึ้นมาสร้างกระจกขึ้นมาพอเราสร้างกระจกขึ้นมาก็เหมือนกับเราเปิดตาทิพย์ของเราเปิดตาในของเราพอเปิดตาในขึ้นมาเราก็จะเห็นตัวเราว่าเรานีไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจใจคืออะไรใจก็คือผู้รู้ผู้คิดนี่เอง ผู้ที่กําลังคิดอยู่นี่ผู้ที่กําลังรู้อยู่นี่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้รู้ไม่เป็นคิดไม่เป็นร่างกายเป็นเพียงแต่รับข้อมูลแล้วส่งไปให้ผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเช่นตอนนี้ร่างกายกําลังรับเสียงเข้าไปในหูแล้วก็ส่งไปให้ผู้รู้คือใจใจนี่แหละเป็นผู้รู้ว่ากําลังฟังอะไรอยู่ร่างกายเขาไม่รู้ว่าเขาฟังอะไร ร่างกายก็เหมือนกับเครื่องที่กำลังถ่ายทอดเสียงอยู่เนี่ยเครื่องถ่ายทอดเสียงนี้เขาก็ถ่ายทอดเขาก็รับภาพแล้วเขาก็รับเสียงแล้ว ก, ก็ส่งไปให้ญาติโยมอยู่ที่บ้านทั่วโลกพวกเราก็ใจของพวกเราก็เหมือนกันเป็นเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งไม่ได้อยู่ในโลกนี้อยู่ในโลกทิพอาศัยเครื่องรับ ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่รับรูปเสียงกลิ่นรสผธทาพะแล้วก็ส่งไปให้ใจคือผู้รู้รับรู้พอใจรับรู้แล้วใจก็คิดแล้วก็สั่งกลับมาที่ร่างกายให้ทำอะไรกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ใจรับรู้เช่นเห็นรูปที่ชอบก็สั่งให้ร่างกายไปซื้อเห็นกระเป๋าสวยก็สั่งเอาไปซื้อกระเป๋า เห็นรองเท้าสวยเห็นรถสวยเห็นบ้านสวยเห็นแฟนสวยก็สั่งให้ร่างกายไปรับไปหามาเนี่ยใจเป็นผู้สั่งคือผู้คิดเนี่เพราะได้รับเห็นภาพเห็นแล้วชอบเห็นรูปคนนี้แล้วชอบอยากให้เขาเป็นแฟนก็ไปจีบเขา สั่งให้ร่างกายไปจีบเขาไปชวนเขาไปเที่ยวไปกินอาหารไปดูหนังไปฟังเพลงไปเลี้ยงดูเขาเอาอกเอาใจให้เขามีความสุขพอเขามีความสุขเขาก็จะแดกชอบเราใช่ไหมชอบเราเขาก็จะเป็นแฟนเราอยู่กับเราไม่อยากจะอยู่กับคนอื่นอยากจะอยู่กับเราเพราะเราเอาอกเอาใจเขาให้ความสุขกับเขา นี่เกิดใจทํางานทําการผ่านทางร่างกายร่างกายนี้เป็นผู้รับและเป็นผู้ผู้สง่ง ผ, ผู้รับคําสั่งจากใจและเป็นผู้ส่งข้อมูลต่างๆให้กับใจเหมือนกับเครื่องถ่ายทอดไอโฟนเนี่ยอนนี้นับรูปกับรูปกับเสียงแล้วส่งไปให้ญาติโยมทางบ้านกันทางบ้านฟังแล้วชอบหรือไม่ชอบก็กดมาใช่ไหม กดถ้าชอบก็กดชอบ ถ, ถ้าไม่ชอบก็กดไม่ชอบหรือไม่กดเนี่ยแล้วถ้ามีคำถามอยากจะถามอะไรก็ส่งข้อความมาส่งข้อความมันก็มาโผล่ขึ้นมาที่หน้าจอเหมือนกับสั่งสั่งให้จอส่งส่งส่งข้อความมาบอกผู้ที่อยู่ที่นี่แล้วเราก็อาศัย ผู้ที่ควบคุมกล้องนี่อ่านคำถามให้แล้วเราก็ตอบกลับไปนี่แหละคือคือเรื่องของจิตใจกับร่างกายร่างกายนี้ไม่ต่างจาก p h o ฟ e นี่เลยเพียงแต่ว่าร่างกายนี้มันมันต้องกินน้ำต้องเดิมอะไรมันถึงจะอยู่ได้ต้องหายใจต้องมีน้ำมีอาหาร แต่ไอโฟนนี้มันก็มีแต่แบตเตอรี่อย่างเดียวมันก็ทํางานของมันได้มันมันไม่มีความรู้สึกมันไม่สามารถรับความรู้สึกส่งไปให้ใจได้เหมือนกับร่างกายทั้งนั้นเองต่อไปไม่แน่ต่อไปก็อาจจะพัฒนาต่อไปมันอาจจะส่งกลิ่นไปให้ญาติโยมที่บ้านดมก็ได้อ้าวจริงๆอ่ะแล้วต่อไปอาจจะส่งบรรยากาศ ความร้อนความหนาวส่งไปให้ทางบ้านเขาสัมผัสก็ได้ว่าตอนนี้ที่นี่ร้อนรือหนาวเย็ยนนรือุ่น น, นี่คือเรื่องของร่างกายการใจของพวกเราที่พวกเราจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไปศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆในโลกนี้เราให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ระดับหนึ่งของโลก MIT r v ว r d ในเคมบริดจ์ออกฟอร์ดเนี่ยเขาก็ไม่มีวิชานี้สอนเขาจะไม่รู้เรื่องของจิตใจเขาจะไม่รู้เรื่อง เ, อเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของใจเรื่องของการไปรับผลบุญผลบาปของใจนี่แหละเป็นความรู้ที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะมันเป็นความรู้ที่มีผลกระทบกับเราโดยตรง ความรู้หนื่องที่เราไปเรียนนี้มันไม่มีผลกระทบกับเราเลยไม่มีประโยชน์กับจิตใจของเราเลยมีประโยชน์ก็เพียงแต่ให้ร่างกายเรากินอยู่อย่างสุขอย่างสบายคนที่มีการศึกษาสูงๆก็จะสามารถไปทำงานทำการมีรายได้สูงๆมีรายได้มากๆสามารถที่จะซื้อปัจจัยสี่อันปานีบละเอียดมา ใช้มากินมาอยู่ซื้อบ้านใหญ่โตซื้ออาหารราคาแพงๆมารับประทานซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆ ม, มาสวมใส่มีเงินไปรักษาโาครคภัยไข้เจ็บตามโรงพยาบาลที่ดีที่สุดที่มีแต่ก็เพียงแต่เพื่อให้ร่างกายอยู่อย่างสุขสบายไปแต่ร่างกาย ต่ให้เลี้ยงดูให้มันดีขนาดไหนสุขสบายขนาดไหนในที่สุดมันก็ต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกันความรู้ที่เราเรียนรู้มาไม่สามารถที่จะมาระ ง, งับความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เลยแต่ถ้าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของจิตใจเกี่ยวกับเรื่องของร่างกาย เกี่ยวกับวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องกับร่างกายและกับสิ่งต่างๆที่เรามาเกี่ยวข้องด้วยเราจะสามารถปฏิบัติกับสิ่งต่างๆได้อย่างปลอดภัยจากความทุกข์เราจะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆเราจะไม่ทุกข์กับบุคคลต่างๆเราจะไม่ทุกข์กับสิ่งของต่างๆเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายของเรา ถ้าเรามีคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนให้เราปฏิบัติกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ถูกต้องไม่มีคำสอนอันใดในโลกนี้ที่จะสอนให้พวกเรานี้ไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆได้มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนี่แหละคือความวิเศษของคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรา โชคดีที่ได้มาพบและให้มีความศรัทธามีความเชื่อที่จะเข้ามาศึกษาเมื่อศึกษาแล้วก็จะน้อมนำออกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะสามารถปกป้องจิตใจของพวกเราไม่ให้ทุกข์กับสิ่งต่างๆอย่างที่พวกเรากำลังทุกกันอยู่ในตอนนี้ตอนนี้พวกเรายังไม่ได้ศึกษาอย่าง เต็มที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่พวกเราเลยยังต้องทุกข์กับสิ่งต่างๆอยู่อาจจะลดความทุกข์ลงไปได้บางส่วนจากการที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนำเอาไปใช้กับเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่ญาติโยมเขียนข้อความเข้ามาว่าตั้งแต่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วสามารถที่ทําให้จิตใจเข้าทุกข์น้อยลงไปได้ กำจัดความทุกข์ที่เขาไม่รู้ว่าจะกำจัดยังไงเขาสามารถกำจัดได้ในระดับหนึ่งเพราะความการฟังนี้ยังได้ความรู้ไม่เพียงพอที่จะนำเอาไปกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ต้องนำเอาไปปฏิบัติเพื่อสร้างทำที่ลึกกว่านี้ที่มีกำลังมากกว่านี้ ธรรมที่เราได้จากการฟังธรรมนี้มันยังมีกําลังไม่ไม่ลึกมันเจาะไม่ลึกเอาได้เพียงผิวเผินถ้าเป็นโรคภัยแค่เจ็บก็เป็นเหมือนยาหม่องแต่เวลาเราเป็นแผลเป็นอะไรคันตรงนั้นคันตรงนี้เราก็เอายาหม่องทาได้แต่เราอาจจะไม่สามารถรักษาต้นเหตุของมันที่อาจอยู่ลึกภายใต้ผิวหนังก็ได้ที่ทําให้มันคันที่ทําให้มัน เจ็บเนื้ออะไรอย่างนี้ต้องใช้การรักษาอีกระดับหนึ่งเช่นแพทย์อาจจะต้องใช้แสงหรืออาจจะต้องเจาะเข้าไปเพื่อตัดเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บของทางผิวหนังทางร่างกายยาหมอกไม่สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ธรรมะที่เราฟังนี้ก็เป็นความรู้ในระดับหนึ่ง เป็นความรู้ที่เราสามารถที่จะนําไปใช้ในการดับความทุกข์ใจของเราได้ในระดับหนึ่งหรือระดับไหนก็อยู่ที่ความสามารถของเราว่าเราสามารถนําออกไปใช้ได้มากน้อยเพียงไรความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังของพระพุทธเจ้านี้ถ้าเรามีความสามารถที่จะนำเอาไป ปฏิบัติได้เต็มรูปแบบ parachute. เราก็สามารถท Simon> ี่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปได้ถ evet ้าเรายังไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้จากการได้ยินได้ฟังก็แสดงว่าความสามารถในการที่จะเอาความรู้นี้ไปดับความทุกข์ใจนี้ยังเราไม่มีกันความสามารถที่จะนำเอาธรรมะนี้ไปใช้ด nope ับความทุกข์คืออะไรก็คือสติ และสมาธินี้เองตอนนี้เราได้ปัญญาแนละ้วเราได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าที่จะสอนบอกพวกเราว่าความทุกข์ของพวกเราเกิดจากความอยากต่างๆของพวกเราความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเรามีความสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ เราก็จะไม่มีความทุกข์กัดสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆได้ถ้าเรายังไม่สามารถหยุดความอยากได้ทั้งๆที่เรารู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจของเราก็แสดงว่าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิพอที่จะหยุดความอยากตอนนี้เรามีปัญญาเพราะเราได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสสอนว่าความทุกข์ใจของพวกเราเกิดจากความอยากของพวกเราเช่อนอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลาที่เราอยู่คนเดียวเราจะเกิดความรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวยรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเราขาดรูปเสียงกลิ่นรสอาจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสของแฟนเราของสามีเราของภรรยาเรา ของลูกเราของเพื่อนเราพอไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเขาอยู่คนเดียวก็รู้สึกเหงาว้าเหว้ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะอยากจะเห็นเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดกับเขาถ้าเรามีกำลังหยุดความอยากนี้ได้หยุดความอยากที่จะต้องเห็นข้างหน้าเขาต้องอยู่ใกล้เขาได้ยินเสียงเขาถ้าเราหยุดความอยากนี้ได้ ความเหงาความว่าเหวที่เกิดจากการอยู่คนเดียวนี้จะหายไปหรือความเหงาที่เกิดจากอยากจะไปดูภา พ, พยนต์อยากจะไปร้องนำทำเพลงอยากจะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆถ้าเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้ความเหงาความว่าเวก็จะหายไปยเราจะวัดดูความสามารถของเราว่า เราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากน้อยเพียงไรก็ดูตรงที่ความรู้สึกกับความอยากที่เรามีอยู่ถ้าเรายังรู้สึกไม่สบายใจยังหงุดหงิดลำคาใจเศร้าส้อยง่อยเหงาเช่นเวลาสูญเสียสิ่งที่เรารักไปสูญเสียคนที่เรารักไปทำไมเราต้องเศร้าส้อยงอยเหงาด้วยทาไมเรา แฮปี Happy, ยิ้มเหมือนกับตอนที่เขาอยู่ไม่ได้หรือไงเราก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเขาเปลี่ยนไปยังอ่ะเขาไปเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมข้าวของเงินทองต่างๆเราก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ทาไมเราต้องไปเศร้าซ้อยกับการจากไปของเขาก็เพราะว่าเราอยากให้เขาอยู่ไม่อยากให้เขาไปใช่ไหมถ้าเราอยากให้เขาไปนี่เราจะเศ้าซ้อยง่อยเงา เวลาเขาไปนี่อโอ้โหดีใจนี่ไปได้ก็ดี <laughs> วิธีแ ก, ก้ก็ความเศร้าสร้อยเหงาเวลาใครตายไปก็เปลี่ยนใจอย่าไปอยากให้เขาอยู่อยากให้เขาไปเอ <laughs> ไปได้ก็ดี <laughs> แล้วก็จะได้ไม่ไม่ทุกข์ไม่เศรา้สงงาสร้อยเหงาเข้าใจไหมแล้วคนที่ตายไปเขาไม่เสียใจหรืะเราดีใจตายก็เรื่องของเขาเราเราไม่สน เขาจะดีใจเสยียใจมันไม่เกี่ยวกับเราอะ่อะก็ <c oughs> อยู่ก็ไม่สนใจสมมติเขายังไม่ตายเขาไปไปมีแฟนใหม่ก็เรื่องของเขาเดี๋ยวเขาอกหักก็ช่วยไม่ไดไ้เวลาเราทำเขาอกขักเราไม่คิดบ้างใช่ไหมก็ามาจีบเราพอเราเบื่อเขา้าเราก็ไม่ให้เขาจีบน ะ, อะพอเราไม่ให้เขาจีบเขาก็อกขักเนี่หละ ความทุกข์ของเรามีอยู่แค่นี้ง่ายๆอยู่ที่ความอยากของเราเนี่เองแล้วปัญหาของพวกเราก็คือยังหยุดความอยากไม่ได้ยังอยากอยู่นั่นเพราะเราไม่มีกำลังไม่มีสติไม่มีสมาธิสติสมาธินี่แหละเป็นตัวหยุดความอยากปัญญาเป็นเพลงตัวบอกเราว่าอะไรเป็นอะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์ อะไรเป็นเหตุของความสุขอะไรเป็นเหตุของความทุกข์ปัญญาบอกเราว่าเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากแลนะสิ่งที่เราอยากได้ก็เป็นความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันไม่เที่ยวได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันพอจากกันก็ความสุขก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาเวลาเราได้ใครมาเป็นเพื่อนได้มาเป็นแฟนเราก็ดีใจมีความสุข พอเขาจากเอาไปก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่อยากให้เขาจากไปนี่คือปัญญาปัญญาจะบอกเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกเพราะว่าเป็นของชั่วคราวไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ถาวรได้แล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วก็ห้ามไม่ได้สั่งเขาไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาเราจะสั่งให้เขาเที่ยงสั่งให้เขาเหมือนเดิมสั่งให้เขาดีตลอดเวลาสั่งให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงสั่งให้เขาไม่จากเราไปนี้เราสั่งเขาไม่ได้นี่คือปัญญาสอนเราให้เตือนใจเราว่าทุกครั้งที่เราคิดว่าเราจะได้ความสุขจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เปลี่ยนใจเสียใหม่ว่ากำลังไปหาความทุกข์ไปเนี่ยคนที่กาลังอยากจะมีแฟนเนี่ย เปลนใจได้แล้วจะสบายใจกว่าได้แล้วจะเป็นทุกข์อยู่คนเดียวตอนนี้ดีแล้วที่ทุกข์ก็เพราะอยากได้แฟนแต่ไม่รู้หรอว่าการได้แฟนมานี้มันเป็นความสุขตอนเพราะว่ามันทําให้ความอยากได้แฟนมันมันหายไปชั่วคราวเพราะเมื่อเมื่อได้แฟนแล้วก็ไม่อยากได้แฟนเพราะไม่มีความอยากได้แฟนความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้แฟนก็หายไป ก็เลยคิดว่าการได้แฟนนี่เป็นความสุขแต่ไม่ได้ดูว่าแฟนนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยวควบคุมบังคับได้หรือเปล่าสั่งเขาได้หรือเปล่าพอได้แฟนมาเวลาเวลารู้จักกันใหม่ๆก็ดีไปหมดพอรู้จักกันไปอยู่ด้วยกันไปสักพักเดี๋ยวไม่ดีแล้นะเคอยเอาใจเราก็ไม่เอาใจเราแล้วเขาจะเอาใจตัวเขาสักทีนี้ เราอยากจะทำนูน่นทำนี่ขึ้นมานะเราอยากให้ก็ททำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขาก็ไม่ทำให้เรานะทีนี้ความสุขที่ได้อยากเขาก็กลายเป็นความทุกข์ไปนะนี่คือปัญญาพระเจ้าสอนให้พวกเรามองทุกอย่างว่ามันไม่เที่ยงเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ให้มันเที่ยงให้มันดีกับเราให้ความสุขกับเราตลอดนี่เราสั่งมันไม่ได้มีวันใดวันหนึ่งมันจะต้องเปลี่ยนพลิกไป พิกหน้ามือเป็นหลังมือไปวันนี้เขาอาจจะชอบเราพรุ่งนี้เขาอาจจะเกลียดเราก็ได้โกรธเราก็ได้ด่าเราก็ได้วันนี้เขาชมเราว่าโอ้สวยอย่างนั้นดีอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปวันดีคืนดีด่ากลับมาเลยก็ได้เราไม่มองกันเราไม่มองความไม่แน่นอนความความไม่เที่ยงแท้แน่นอนความความเปลี่ยนแปลงที่มีในทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์ตไตรแปลว่าสามลักษแปลว่าลักษณะของทุกอย่างนี้มีคุณลักษณะสามประการด้วยกันคือหนึ่งไม่เที่ยงสองเราควบคุมบังคับสั่งมันไม่ได้เมื่อเราสั่งมันไม่ได้มันไม่เที่ยงให้มันเที่ยงให้สั่งให้มันเที่ยงมันไม่เที่ยง สั่งให้มันดีมันไม่ดีอะไรจะเกิดขึ้นก็ความทุกก็จะเกิดขึ้นมาที่ใจเราทุกนี้ไม่ได้อยู่ที่ของทุกอยู่ที่ใจเราแต่ความไม่เที่ยงกับอนัตตานี้อยู่ที่สิ่งของบุคคลต่างๆเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นอนัตตาเขาไม่ได้ทุกเขาไม่เป็นทุกเรานเป็นทุกเราเป็นทุกเพราะไปอยากให้เขาเที่ยงเป็นทุกเพราะอยากให้เขาเป็นของเราให้เราสั่งเขา ให้หันซ้ายหันขวาได้ตลอดเวลาพอเราสั่งเขาไม่ได้เราก็เสียใจเราก็โกรธขึ้นมาเราก็ทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองนี่คือตายรักขอให้เราจำให้ดีอันนี้เป็นปัญญาระดับสุดยอดของปัญญาเลยเพราะมีความมีปัญญาแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราไม่ไม่ทุกข์กับอะไรได้แต่ถ้าเรายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่า เรายังหยุดความอยากเราไม่ได้ความอยากให้มันเที่ยงยังมีอยู่ความอยากให้มันทาให้มันเป็นไปตามความต้องการของเรายังมีอยู่เราต้องมาหยุดตัวนี้กันวิธีจะหยุดตัวนี้ก็ต้องมาเจริญสติเพราะสตินี้จะหยุดตัวนี้ได้หยุดตัวอยากได้หยุดตัวอยากมันเกิดจากตัวคิดเราใช้สติหยุดตัวคิดพอตัวคิดหยุดตัวอยากก็จะหยุดตามไป ถ้าเราไม่คิดถึงแฟนเราจะไม่รู้สึกเศร้าส้ยอยหงอยเหงาว้าวเวแต่พอไปคิดถึงเขาเราก็อยากอยากให้เขามาอยู่กับเราเราก็จะรู้สึกเศร้าส้ยอยหงอยเหงาว้าวเวขึ้นมาดังนั้นเราต้องมาหัดควบคุมความคิดของเราอย่าให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆถึงบุคคลต่างๆแล้วก็จะได้ไม่อยาก พอเราไม่อยากแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรดังน้นเราต้องมาฝึกสติกันวิธีจะสร้างสติก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่นคำบริกามพุทโธพุทโธนี่ก็เป็นวิธีสร้างสติเวลาเราพุทโธพุทโธเราจะหยุดความคิดต่างๆได้เพราะเราจะไม่สามารถไปคิดความคิดอย่างอื่นได้นั่นเอง เพราะเวลาเราพุโทโธพุโทโธเราจะไปคิดถึงแฟนได้ไหรือเปล่าไปคิดถึงขนมได้ไหรือเปล่าไปคิดถึงกาแฟได้ไหรือเปล่าไปคิดถึงอะไรต่างๆได้ไม่ได้เพราะเราต้องอยู่กับพุโทโธถ้าเราพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวใจเราก็ว่างจากความคิดต่างๆความอยากต่างๆก็จะหายไปความรู้สึกเขาความรู้สึกว้าเหว ก, ก็จะหายไป คามหงุดหงิดที่เกิดจากความอยากดื่มกาแฟก็หายไปความหงุดหงิดที่เกิดจากการดื่มสุราก็หายไปความหงุดหงิดที่เกิดจากการอยากจะรับประทานขนมก็หายไปเพราะเราไม่ได้ไปคิด <c oughs> ถึงของเหล่านี้สิ่งเหล่านี้พอเราไม่ได้คิดถึงสิ่งเหล่านี้ความอยากมันก็ไม่มีตามมาพอไม่มีความอยากตามมาใจก็เลยว่างสบายไม่ต้องกินกับมีความสุขกว่า ไม่ต้องดื่มกับมีความสุขกว่าเพราะว่าถ้าดื่มแล้วเดี๋ยวมันต้องดื่มอีกเพราะพอดื่มเสร็จแล้วเดี๋ยวความสุขที่ได้จากการดื่มมันหมดไปความอยากดื่มก็โผล่ขึ้นมาใหม่แล้วถ้าไม่ได้ดื่มก็จะหงุดหงิดจะทุกข์อีกแต่ถ้าไม่ดื่มได้เลยเล่กดื่มได้เลยก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเพราะจะไม่มีความอยากดื่มอีกต่อไป คนที่ไม่ดื่มสุรานี้เขาไม่ทุกกับเรื่องของสุราคนที่ไม่ได้อยากดสูบบุหรี่เขาไม่ได้ทุกกับบุหรี่ใช่ไหแต่คนที่อยากจะสูบบุหรี่อยากจะดื่มสุรานี่เขาต้องทุกข์ทุกข์ตอนที่ไม่มีดื่มหรือทุกข์ตอนที่ดื่มไม่ได้เชนเวลาดื่มแล้วเป็นโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเป็นโรคตับแข็งหมอสั่งห้ามดื่มสุราถ้าดื่มแล้วตาย ตอนนั้นก็จะทุกข์มากเพราะยังอยากจะดื่มอยากจะดื่มอยู่บางทีก็ยอมตายก็มีเพราะมันทุกข์ไม่รู้ยอมตายดีกว่าทุกข์เพราะที่ว่าตายปุ๊บมันก็จบตายเดียวเดียวแต่ทุกข์นี่มันนานเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีถ้าไม่รู้จักหยุดความอยากมันก็จะทุกข์นี่คือ ปัญญาที่พวกเราได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรปัญญานี้กว่าจะมาปรากฏให้ในโลกนี้รู้ได้นี้ไม่ใช่เป็นของง่ายต้องคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะค้นพบปัญญาอันนี้ได้คนทั้งโลกเนี่ยมีมีใครบ้างที่ค้นปัญญานี้ได้ไม่มีหรอกมีแต่ค้นปัญญาทางวิทยาศาสตร์ทาง ทั้งวัตถุทางดินน้ำลมไฟทางดาราศาสตร์อะไรพวกนี้เขาคิดกันได้เขาสามารถสง่สงยาอากาศไปสำรวจดวงดาวต่างๆมีกล้องส่งไปดูดาวต่างๆที่มีอยู่ในท้องฟ้านี้รู้อะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้แต่เขากลับไม่รู้เรื่องราวของตัวเขาเอง ที่อยู่ใกล้กับเขาที่สุดเขากลับไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาเป็นใครเขาสุขเขาทุกข์ได้อย่างไรเขามาเกิดได้อย่างไรเขาตายแล้วเขาจะไปไหนเขาไม่รู้เลยแล้วเขาไม่สนใจเพราะเขาสรุปบกไปแล้วแล้วว่าเขาคือร่างกายเนี่ยเขาก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาศึกษาเรื่องจิตใจเขาก็ศึกษาแค่ร่างกายร่างกายเขาก็เห็นว่าในที่สุดนันก็ต้องแก่เจ็บตาย มันก็ตายแล้วก็ไปเผาไปฝังมันก็กลายเป็นดินไปกลายเป็นขี้เท่าไปเขาก็เลยไม่ต้องสนใจไม่ต้องมาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใจของเขาเรื่องตัวเขาว่าเป็นอะไรในเมื่อเขาสรุปแล้วว่าเขาคือร่างกายเขาก็เลยเอาเวลาไปศึกษาเรื่องอื่นแทนแต่ศึกษาอะไรก็ตามมันไม่มีประโยชน์กับจิตใจเขาเลยมันไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเขาได้เลยเ่าให้เขารู้จัก จัจ ก, กรวาลที่มีอยู่ในโลกนี้มีลูกกี่ร้อยจั ก, กรวาลกี่พันจั ก, กรวาลก็ต่างแต่ความรู้เหล่านี้ก็ไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจของเขาได้เวลาที่แฟนเขาตายไปหรือเวลาที่เขาสูญเสียสิ่งที่เขารักไปหรือเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ของที่เขาเคยดื่มหมดไป เคยดื่มกาแฟกาแฟหมดไปเขาก็ทุกข์แล้วเอาให้ฉลาดขนาดผลิตรถยนต์ได้ผลิตไอโฟนได้ตไดแต่พอเจอกาแฟหมดเท่านั้นโดนน็อกแล้วซพวกที่ผลิตไอโฟนไม่เป็นแต่หยุดกาแฟหยุดดื่มกาแฟได้กับเก่งกว่าช่ไหมนั่นะคือความรู้ของทางพระพุทธศาสนา เป็นความรู้ที่วิเศษที่จะทำให้พวกเรานี้ไม่ต้องทุกข์กับอะไรและไม่ต้องมีอะไรกันไม่ต้องมี p อโฟนไม่ต้องมีรถยนต์ไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ากับพระสาวกตอนนี้ท่านไม่มีอะไรเลยแต่ท่านกลับมีความสุขมากกว่าเราอย่าไปคิดว่าท่านหายไปนะท่านไม่หายนะท่านยังอยู่นะ เป็นแต่เรามองไม่เห็นท่านนั่นเองเรายังติดต่อกับท่านไม่ได้นั่นเองแต่ท่านอยู่ท่านอยู่ดีกับเราท่านไม่ต้องมีคอนโดไม่ต้องมีรถเก๋งไม่ต้องมีไอโฟนไม่ต้องมีแฟนไม่ต้องมีลูกไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ต้องไปเที่ยวต่างประเทศไม่ต่อไปเขากาลังจะจัดทัวร์ไปเที่ยวโลกพระจันทร์นะลูกอ่ะ มีคนจองตั๋วสองคนแล้วเนี่ยจริงจริงนี่เป็นข่าวมามีบริษัทเขาจะสร้างยานอวกาศให้พาไปเที่ยวโลกพระจันทร์กันละเพียงแต่ยังไม่ได้ลงเท่านั้นเองเพียงแต่ให้ขับไปนั่งเครื่องลาไปวนรอบดวงจันทร์แล้วก็กลับมานี่เขามีการขายตั๋วไปแล้วล่วงหน้าแล้วมีคนจองไว้สองที่แล้วนี่เขาก็ทำได้แค่นี้เอง แต่พระพุทธเจ้าไม่ต้องทำอย่างนี้กลับมีความสุขมากกว่าพระพุทธเจ้าผ้าหลังตสาคกตอนนี้ไม่มีร่างกายไม่มีลูกไม่มีเต้าไม่มีสามีไม่มีภรรยาไม่มีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองแต่ท่านมีบารมีสุขมีปรมังสุขขังสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่พวกเราได้กันจากการที่เรามีอะไรต่างๆเพราะสุขที่เราได้กันนี้เป็นสุขเดี๋ยวเดียวไปเที่ยวโลกพระจานทร์กลับมาพุบก็หายไปละ เดี๋ยวพอมาอยู่คนเดียวก็เหงาอีกละว้าเหวอีกละแล้ ว, ว, ว, ลวพอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งขึ้นมาก็ทุกข์อีกละนะต่อให้มีความสุขจากการไปเที่ยวโลกพระจันท์ไปเที่ยวที่ไหนมาความสุขเหล่านั้นก็หายไปหมดแะพอมาเจอโรคมะเร็งนั่นนะจอดเลยนี่แหละแต่ถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเรามีเครื่องมือที่พระเจ้าสอนให้พวกเราสร้างขึ้นมาเราจะไม่ทุกข์เลย ไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเป็นก็เป็นสิเราไม่ได้เป็นนี่มันร่างกายเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปสิเราห้ามมันได้หรือเปล่าแต่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายแล้วพอร่างกายเป็นมะเร็งก็เกิดความอยากไม่ให้มันเป็นใช่ไหมเพราอยากให้มันอยู่อยากให้ร่างกายอยู่ไม่อยากให้มันตายเพราะรู้ว่าถ้าเป็นมะเร็งนะเดี๋ยวร่างกายต้องตายก็เลยเกิดความอยากไม่ตายขึ้นมาอยากอยู่ขึ้นมา ความอยากอยู่อยากไม่ตายนี่แหละทำให้เราทรมานกันทุกข์กันกับร่างกายเวลาที่ร่างกายมันจะต้องตายือเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยล้วก็อยากให้มันไม่เจ็บกันพอเกิดความอยากไม่เจ็บเราก็ทุกข์กันเพราะมันเจ็บอะเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันหายเจ็บไม่ได้สั่งให้โรคหายไปเดี๋ยวนี้เป็นหวัดปุ๊บหายไปเลยสั่งมันได้ไมไม่ได้ ก็ต้องรอเวลาให้มันรักษาตัวของมันเองแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะเจ็บก็เจ็บไปมันจะตายก็ตายไปเพราะเราไม่ใช่มันร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นร่างกายเราคือใจเราคือผู้รู้ผู้รู้ที่ฉลาดก็จะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆที่ผู้รู้มาเกี่ยวข้องด้วยแต่ตอนนี้ผู้รู้ คือพวกเรานี้ไม่ฉลาดกันพอมาเกี่ยวข้องอะไรมักจะมีความอยากกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องเสมออยากให้เที่ยงอยากให้ดีอยากให้เป็นไปตามความต้องการของเราพอมันไม่เป็นไปตามความต้องการของเราเราก็ทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญาหรือมีปัญญาเราก็ไม่มีกําลังที่จะใช้ปัญญานั้นมาดับความทุกข์ได้ก็คือมาหยุดความอยาก ปัญญาจะสอนเราว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรานี่เองเนั mm ้น hmm. ตอนนี้เราต้องไปสร้างกำลังขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาสร้างสมาธิขึ้นมาพอมีสติมีสมาธิแล้วพอเกิดความทุกข์เกิดความอยากเราก็หยุดมันได้พอไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งพอมันอยากจะอยู่อยากจะไม่เป็นเราก็สั่งมันได้ว่าอย่าไปอยากอยากแล้วจะทุกข์ ถ้าไม่อยากเราจะไม่ทุกข์แต่ร่างกายเราสั่งไม่ได้แต่เราสั่งใจได้สั่งความอยากเราได้สั่งให้มันไม่อยากได้ถ้าเรามีกำลังตอนนี้เราไม่มีกำลังเวลามันอยากแล้วเราสั่งให้มันหยุดไม่ได้เราถึงทุกข์กันมากทุกข์กันเป็นวันเลยใช่ไหยแฟนจากไปกี่เดือ น, น้วเนี้บางทียังคิดถึงแฟนน้าตา ย, ยังไหลยอยู่ใช่ไหเออ ก็ยังอยากให้เขาอยู่ยังอยากจะอยู่กับเขาอยู่พอเราไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากของเราแต่ถ้าเราฝึกสติฝึกสมาธิ ikes, อยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะหยุดได้ถ้าเราทําใจให้สงบได้เต็มที่สแสดงว่าเรามีกำลังหยุดหยุดความอยากได้เต็มที่แล้วถ้าเราได้อัปปนาสมาธินี ies, ่เราสแสดงว่าเรามีกำลังหยุดความอยากได้100ร้ออร์ซแล้ว เวลาเกิดความอยากขึ้นมาเราใช้ปัญญาเข้ามาเตือนใจเลยว่าอยากไปอยากอยากแล้วทุกข์สิ่งที่เราอยากได้มันเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็หมดไปพอเห็นว่าอย่างนี้ก็ไม่เอาดีกว่าไม่อยากดีกว่าหรือว่าอยากให้มันไม่เป็นโรคมันเลยมันเป็นแล้วเราก็สั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราก็ต้องอยู่กับมันไปปล่อยมันไปปล่อยมันเป็นไป มันจะเป็นมะเร็งก็ปล่อยมันเป็นไปมันจะตายก็ต้องปล่อยมันเป็นไปแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่เป็นมะเร็งไม่มีความอยากให้มันไม่ไมตายเราก็จะไม่ทุกข์กับมันถ้าเรามีอัปปนาสมาธิและมีปัญญาเราก็จะได้ภาวนามายะปัญญาขึ้นมาแล้วภาวนามยะปัญญานี้ก็จะกำจัดความทุกข์ต่างๆด้วยการหยุดความอยากต่างๆได้หมดเลยตอนนี้เราได้สุตตะมยปัญญา เพียงได้ได้แต่ปัญญาแต่ไม่มีสมาธิตอนนี้เราต้องไปสร้างสร้างสมาธิขึ้นมาเพื่อจะได้ทำให้ปัญญาที่เรามีอยู่นี้กลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาแล้วรับรองได้พอมีภาวนาเมยะปัญญาแล้วความทุกข์ทั้งหลายมันจะวิ่งหนีหมดเลยมันจะกลัวเรามันจะกลัวภาวนามยปัญญาเหมือนเหมือนกับโจรกลัวตารวจเหน็นไหพอตารวจมานี่โจรวิ่งหนีกันตลิดเปิดเปิงเลย เวลาเล่นไพ่กันนี้ตำรวจมาคุนไ่งนี้กลัวตำรวจกันเนฉันได้กิเลสตัณหาความรู้ความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่มันเกกลัวภาวนามายะปัญญาแต่มันไม่กลัวสุดตาไมยะปัญญามันไม่กลัวจินตามัยะปัญญามันยังสู้เราได้อยู่เนี่ยตอนนี้เรารู้ว่าเราทุกเพราะความอยากแต่ความอยากมันก็ไม่กลัวเราเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีก ใช่ไหมแต่ถ้าเรามีภาวนาปัญญานี้มันไม่กล้าโผล่ขึ้นมานะนี่คือเรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนาที่พวกเราจะไม่มีโอกาสได้รู้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสอนพวกเราถ้าไม่มีศาสนาพุทธพวกเราก็จะโง่ต่อไปเราก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราทุกภพทุกชาติที่เรามาเกิดแล้วเราก็จะทุกข์กับร่างกาย แล้เราก็จะยึดติดกับร่างกายอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราทำให้เราต้องกลับมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจะบอกว่าเราไม่ใช่เป็นร่างกายร่างกายเป็นกองทุกข์เราอย่าไปพึ่งร่างกายเราพึ่งปัญญาพึ่งธรรมะดีกว่าเพราะธรรมะให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงแต่ถ้าเราพึ่งร่างกายมันจะให้ความสุขเราชั่วคราว แลมันก็จะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าพอเรารู้อย่างนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดไม่มีร่างกายอีกเราก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนพระอรหันตสาวกจะมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไร <te am> ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาิวาหาปุราปราปริปุเรนติสาคะรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตาังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเเอปุริยโสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิจุติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสสตุ มาเตพาโตวันตาลายยสุขีทีคายุโกพาวอะพิวาทานสีลิสานิจังวุทธาปจายิโนจัตตารุธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังมาพักแล้วเริ่มจะกลับ กลับนะมาเช้าเย็นกลับนะแล้วแฟนจะไปบวชที่วัดรัศมีหรือแล้วบวชเมื่อไหร่บวชวันที่นิบเก้ามีนาอีก3วันนี่เหรอไปอยู่วัดตั้งแต่วันที่10แล้วใช่ยร์ที่ว่าจะบวชไปเรื่อยๆเหรออ่านนิมมบุษนาสาธุขอให้อยู่ไปนานๆนะไม่มีทางไหนเดียดีเท่าทางนี้ต่อไปโยมจะได้บวชตามได้ พ่อแม่ของนักกีฬาเหรียญอนะไรเหรียญทองแดงเหรียญทองแดงลิมติกแท็กควนโดชื่ออะไรน้องะไรน้องวิวยอภาเหมือนลูชายน้องวิวยอภาอพอดีเสียลูกชายไปลูกชายไปบวชแล้วก็เสียชีวิตไปก็เลยทาให้เห็นทุกข์มากพ่อก็เลยมีดวงตาเห็นธรรมเห็นส<อ>ัจธรรมเห็นความทุกข์เยอหละนะ ทุกบ่มีปัญญาบ่าเกิดคิดอย่างนี้อาษาูนะได้ยังต้องสือซีดีไปฝากท่านก็ได้นะ <c oughs> นะเวล า, าท่านบวชท่านจะได้มีนะสือซีดีนฟังได้แ <c oughs> ล้วมีที่มาจากกาลสินเ ค, เคยไปปฏิบัติธรรมที่ไหนบ้างบ้างไปแหน วัดป่าบ้านใหม่ของท่านพ่อค้าครรุธรมอ่ะค่ะที่กาลาสินเนี่ยอยู่อุดรค่ะอําอเภอบ้านผือะคะอ่ะบ้านผือคะนี่ไปอยู่นานไหมแล้วแต่จังหวะและโอกาสค่ะบางทีก็สามวันบางทีก็ห้าวันอย่างนี้ยค่ะอค่ะสงบไหมที่อสถานที่วัดป่าบ้านใหม่สงบค่ะจะเป็นป่าแล้ว แต่ก่อนเป็นวัดของพระอาจารย์นิพน์นะคะแล้วท่านพ่อคาดก็ตะก่อนท่านก็อยู่พังง า, าท่านก็เลยมาอยู่ที่นี่แล้วเวลาผู้หญิงไปปฏิบัติธรรมก็จะอยู่คนละโซนกันกันกบพระอาคาะจะเป็นป่านั้นท่านอาจารย์าดอยู่ที่นี่อนยะู่ไหมใช่ค่ะก็ อ, อยู่ด้วยกันที่บ้านตาด รู้จักกนเพราะว่าหลวงพ่อคาดพูดถึงพระอาจารย์สุชาติอยู่ค่ะเพราะว่าคุณพี่แป๋ว่ค่ะคุณพี่ทิตติมาก็เป็นรู้สิษยของหลวงพ่อคาดที่มากับท่านอาจารย์อมมาลาค่ะแล้วเวลาคุณพี่มากับพระอาจารย์สุชาติแล้วเวลาไปปฏิบัติที่นู่นก็จะไปเล่าให้หลวงพ่อฟังอค่ะเด มีอะไรอยากจะถามไหมมีใครอยากจะถามอะไรหมเดี๋ยวก่อนี้เขากราบพระใส่กันมีหนังสือซีดีแจกนะเอาเลยเคยปฏิบัติใส่ลูกนอพ่องนอมาค่ะอาจารย์แต่ศรัทธาหลวู่มั่นมากอยากทราบว่ามีความแตกต่างกันไหมอ๋อเหมือนกันคือเป็นอุบายวิธีที่จะดึงใจให้หยุดคิด จะใช้ยุบหนอพองหนอก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้อาอนาปนานสติดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ไดเ้เป็นวิธีทําใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นวิธีเจริญสติกามา่านยุบหน่อพองหนอก็เป็นหนึ่งในสิสิกองอา่อาอ่าใชา่จริมันอยู่ในอานาปนานสตินี่แหละเพียงแต่ว่าเข า, เาแยกออกมาคือแทนที่จะดูลมที่ที่ปลายจมูกก็ ดูที่ลิ้นปี่ดูที่ท้องเวลาลมเข้าก็บอกว่าพองเวลาลมออกก็ยุบเขาเลยเรียกยุบหน่อพองหนอ่อเหมือนกันอยู่ในอยู่ในกลุ่มของอนาปนสติคือการดูลมหายใจเข้าออกดูที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่หน้าท้องก็ได้จะว่ายุบหน่อพองหน่อก็ได้ไม่ไม่ว่าก็ได้ให้รู้เฉยๆก็ได้ให้รู้ว่ามันพองรู้ว่ามันยุบก็ได้ บางทีเขาก็ให้ว่าพุทธโธก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็วาโธอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอาณาปนานสติเหมือนกันโดยจะใช้พุทธโธอย่างเดียวไม่ใช่ลมหายใจก็ได้ทัองพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปไม่ต้องสนใจกับลมหายใจเหมือนกับสวดมนต์เนี่ยเพียงแต่ว่าเราสวดคำเดียว ทนที่จะสวดยาวเราสวดคำเดียวพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเพราะบางคนนี้ท่องไม่จำไม่ได้ว่าบทสวดมนต์มีอะไรก็เลยไม่ต้องท่องเอาคำเดียวง่ายดีพุโทโธพุโทโธไป <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะทาให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆพอเราไม่คิดแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบายแล้วเวลาเรานั่งเฉยๆใจก็จะตกลุมเข้าไปในสมาธิได้ ถ้าจะให้เข้าสมาธิต้องนั่งเฉยๆถ้าเดินถ้าหรือทำอะไรไปนี่มันจะมันตไม่ตกหลุมตกบ่อต้องนั่งนิ่งๆนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปด้วยยุบหนอพองหนอไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะตกหลุมตกบ่อเข้าไปแต่อย่าไปคาดอย่าไปอย่าไปคิดถึงมาว่าเมื่อไรจะตกหลุมสักทีถ้าไปคาดล้วมันจะไม่ตกอย่าไปสนใจ ถ้าอยู่ถ้าอยู่กับยุบหนอพองเนอก็ยุบเนอพองห น, หนอหนไปถ้าอยู่กับพุโทโธกับพุโทโธพุทโธไปแล้วเดี๋ยวมันจะตกหลุมตกบอ่อเพรามันเองอันนี้เป็นสมะถะภาวนาเป็นขั้นแรกของการภาวนามันมีสองขั้นขั้นแรกว่าสมะถะภาวนาทําใจให้สงบทําใจให้เป็นสมาธิแล้วก็มีขั้นที่สองพอเราได้สมาธิแล้ว เราก็ไปขั้นวิปั ส, สนาวิปัสสนาก็อย่างที่เมื่อกี้สอนให้เจริญไตรลักษณ์ให้เจริญปัญญาให้มองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะถ้าเราเห็นอะไรเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้ไม่อยากจะไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือปัญญาเพราะตอนนี้ใจของเรามันอยากอยู่เรื่อยพอเห็นอะไรก็อยากแนะ ไม่อยากได้ก็อยากอยากอยากเสียถ้าเห็นสิ่งที่เราชอบก็อยากได้พอเห็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็อยากให้มันหายไปเราไม่รู้จักทำใจเฉยๆอยู่ตรงกลางระหว่างความอยากทั้งสองนี้ถ้าขับรถก็คือหาเกียร์ว่างไม่เจอมีแต่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเข้าเกียร์เดินหน้าเข้าเกียร์ถอยหลังเลยจอดรถไม่ได้กีวิ่งอยู่เรื่อยๆยแต่ถ้าเราเข้าเกียร์ว่างได้เราก็จะจอดรถได้ จอดรถได้เราก็จะได้สบายอยู่ในรถมันเหนื่อยซู่ไปนอนในบ้านดีกว่าใช่ไหมใจเราเนี่ยมันชอบเข้าเกียร์อยู่ด้วยเข้าเกียร์หน้าก็คืออยากได้เข้าเกียร์ถอยหลังก็คืออยากไม่ได้อยากได้ก็เรียกว่าภาวะตัณหาอยากไม่ได้ก็คือวิภาวะตัณหาพอเจอของที่เราไม่ชอบก็อยากไม่ได้แล้วอยากให้มันหายไปแล้วพอนั่งเก็บหน่อยก็อยากให้มันหายแล้ว พออยากก็ใจก็เลยทรมานที่ที่มันทุกข์ไม่ใช่เพราะความเจ็บนะที่มันทุกข์เพราะความอยากอยากให้มันหายเนี่ยพออยากให้มันหายเจ็บมันจะทุกข์ขึ้นมาในใจจนมันทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราหยุดความอยากที่ให้ความเจ็บหายไปเนี่ยหยุดมันได้เราจะอยู่กับความเจ็บได้ความเจ็บไม่รุนแรงไอ้ตัวที่รุนแรงคือตัวความอยากเนี่ย อยากให้มันหายเนี่ยตัวเนี้ยร้ายกาศตัวเนี้ยสร้างความทรมานสร้างความเครียดให้กับใจเราถ้าเราไม่รู้ถ้าเราหยุดไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีกําลังเราก็ต้องสร้างกําลังในตอนนั้นเลยเวลานั่งแล้วเจ็บแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจไม่ต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญามันไม่มีกําลังมันไม่มีสมามันไม่มีสติตอนนี้เราต้องใช้สติก่อนพอเจ็บแล้วเรารู้ว่าเราเจ็บเพราะเราอยากให้มันหาย แต่เราหยุดความอยากไม่ได้เราก็ต้องใช้พุทโธเนี่ยหยุดความอยากไปใช้คำบริกรรมหยุดความอยากไปก่อนต่อไปพอเรามีสติแล้วเราจะหยุดความอยากได้โดยไม่ต้องใช้พุทโธพอรู้ว่าอยากปับ๊บเราก็หยุดมันได้เลยบอกมันให้หยุดได้แต่ตอนนี้บอกแล้วมันไม่หยุดเหมือนรถที่ไม่มีเบรก อ, อย่าเบรกแล้วมันไม่หยุดจะทาไงก็ต้องไปติดเบรกไปเท่าอูให้ช่างเขาติดเบรกให้ พอติดมีเบรกแล้วต่อไปพอจะเหยียบเบรกปั๊บมันก็จะหยุดเลยตอนนี้เราเกิดความทุกข์เราเกิดความอยากแล้ว เ, เราหยุดมันไม่ได้ก็แสดงว่าเราไม่มีเบรกเราก็ต้องสร้างเบรกขึ้นมาในตอนนั้นเลยพุทโธพุทโธไปวเวลาเราทุกข์กับอะไรแล้วเราหยุดความอยากไม่ได้เราก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเวลาโกรธใครเนี่ยพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวก็หายโกรธแต่ถ้าต่อไปเรามีกําลังแล้วเราไม่ต้องพุทโธ เพีนแต่บอกว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาเราก็จะไม่โกรธเขาละอย่าไปอยากให้เขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้เขาอยากจะทำอะไรก็ปล่อยก็ทําไปเราก็จะไม่โกรธนะแต่ตอนนี้เราไม่มีกำลังเราเลยต้องใช้พุโทโธสร้างสติขึ้นมาให้มีให้มีกำลังให้มีมีกำลังหยุดสติคือกำลังหยุดเป็นเบรกของใจกาใจนะต้องมีสองขั้น ขั้นแรกนี้จะต่างสำนักจะสอนไม่เหมือนกันเพราะแต่มันมีสี่สิบกองสี่สิบวิธีด้วยกันแต่พอขึ้นเข้าสู่ขั้นที่สองนี่เหมือนกันหมดต้องมองให้เห็นตายรักต้องให้เห็นอ ส, สุภะให้เห็นอาหารเลยปฏิกัญญาเถ่งกําจัดอิเลชชนิดต่างๆได้หมงเวลาไปศึกษาแต่สำนักเขาอาจจะสอนวิธีต่างกัน เป้าหมายแรกก็คือให้เกิดสติให้ใจสงบบางสำนักให้ไปนั่งหน้าศพนี่ไปนั่งกับงูนี่ไปนั่งกับให้มะเรงสัตว์กัดต่อยเวล <c oughs> า, าแมลงสัตว์กัดต่อยเราก็อย่าไปอยากให้มันไม่อย่าไปอยากให้มันไม่กัดสิก็ปล่อยให้มันกัดวิธีจะปล่อยให้มันกัดก็พุทโธพุทโธพุทโธไปหยุดความอยากที่จะให้มันไม่กัดนี่ พอเราพูดโธพูดโธไปปล่อยให้มันกัดได้เราก็จะไม่เราก็จะไม่ทุกข์กับการที่ถูกมันกัดมันกัดก็เป็นเหมือนกับโดนโดนน้าโดนอะไรเกี่ยวเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปสนใจมันแล้วมันก็จะไม่ทรมานใจถ้าเราไปอยากให้มันไม่กัดโอ้เราจะรู้สึกเออใช่ไหมส่วนใหญ่พวกเราตอนนี้ไม่มีสติกันเราเลยต้องไปฝึกสติ แต่ละสำนักเขาก็มีวิธีให้เราฝึกกันให้ไปนั่งหน้าศพนี้ก็ฝึกสติไม่ให้กลัวให้ใจนิ่งเฉยๆไม่ให้เกิดความอยากหนีจากสิ่งที่เราไม่ชอบใช่ไหมมันเป็นวิธีหยุดความอยากทั้งนั้นทำให้ใจเรานิ่งจำทำให้ใจเราสางบดังั้นเราก็ศึกษาดูแต่ละสำนักเขาสอนอยังไงถ้าเขาบังคับให้สอนวิธีที่เราทา ไม่ตรงกับเราเราก็อย่าไปก็แล้วกันอหรือว่าเราอยากจะไม่ลองของใหม่ก็ได้เผอลองแล้วมันได้มันถูกกับเราได้ผลดีก็เอาก็ได้เพราะว่าแต่ละคนเรามีนิสัยจริตไม่เหมือนกันอะอกรรมฐานสี่สิบกองนี่ก็มีไว้กับจริตต่างๆ อ, อย่าที่ครูบาอาจารย์ท่านถูกกับจริตอันไหนท่านก็สอนแบบนั้นส่วนลูกศิษย์ อาจจะเจริตไม่ตรงกับครูบาอาจารย์ก็ได้ก็อาจจะต้องไปเปลี่ยนอาจารย์เรียนกับอาจารย์ตรงนี้แล้วเรียนแล้วไม่ก้าวหน้าเลยก็อาจจะต้องลองไปลองเปลี่ยนอาจารย์ดูอาจจะถูกเจริตกันก็อาจจะก้าวหน้าก็ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของนักศึกษาเหมือนกับเราเปลี่ยนโรงเรียนเ่เรียนโรงเรียนนี้แล้วไม่ดีเลยพ่อแม่บางทีก็ย้ายลูกไปเรียนอในโรงเรียนหนึ่งอันนี้ก็ได้เหมือนกัน อย่าย่ายบ่อยๆจนทั้งไม่รู้ว่าเราเป็นเราหรือเป็นอาจารย์กันแนท่ที่ที่มันไม่ดี <c oughs> ไม่ถูกกับทุกอาจารย์ก็แสดงว่าเราเรามันไม่ดีเรามันกิเลสหนา <c oughs> กิเลสมนายอมรับอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งแสดงว่ากิเลสมันหนามาก <c oughs> ก็อย่าไปย้ายบ่อยไปทีก็ต้องลองไปสักพักนาน จำรู้ว่ามันไม่ถูกเจริญกับเราจริงๆแล้วเราก็ย้ายไปมีอะไรอีกไหมการ เ, าเป็นพระอริยบุคคลท่านแรกที่พระสวดอภินีรันดร์จะเรื่องสุดิสัยอยากอาขอความกรุณาพระอาจารย์ช่วยสาธยายทำแม่นสองทำพระสวดอภัน์ให้หน่อยได้ไหมก็ไดหละก็ทำอย่างนี้เบื้องต้นก็ฝึกสมาธิก่อน ทำเกียรติให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ก่อนเมื่อได้แล้วก็มาพิจารณาร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันแก่ปล่อยมันเจ็บปล่อยมันตายไปพอไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายก็เป็นสวสดาบานแล้วเรารู้แล้ววิธีเป็นสวสดานเป็นยังไงแต่เราไม่มีกําลังที่จะเป็นเท่านั้นเอง พอเรายังหยุดความอยากกลัวไม่ได้ยังกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายอยู่นี่พอเรายังไปคิดว่าม น, นตัวเราของเราอยู่ฉะนั้นต้องพยายามพิจารณาดูร่างกายบ่อยๆมากๆว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟมันมาจากน้ําที่เราดื่มมาจากข้าวที่เรากินเข้าไปข้าวก็เป็นดินน้ําที่ดื่มนะนมที่หายใจเข้าไปไฟที่มีอยู่ในร่างกายความร้อนมันมีแค่เนี้ยพอร่างกายตายไปของพวกนี้มันก็แยกออกกกันหมด อันให้ไปดูซากศพเศษศพเ็บฉะนี้จะได้รู้ว่าร่างกายนี้มันเป็นอะไรกันแน่เป็นเราหรือเปล่าร่างกายตายใหม่ๆก็ขึ้นอืดพองต่อไปก็เขียวคั้มต่อไปก็น้ำก็ไหลออกมาน้าหนองน้าอะไรต่างๆครับต่อไปก็แยกเป็นชิ้นเป็นอันไปแ่างกามากัดเหนียวในที่สุดก็เหลือแต่โพรงกระดูก เพราะส่วนเอื่นมันก็จะเปื่อยจะพุจะหายไปหมดกลับไปสู่ดินน้ำลมไฟนั่นแหลแยกไปน้ำก็ไปส่วนน้ำดินก็ไปอยู่กับดินลมก็ไปกับลมไฟก็ไปกับไฟดูบ่อยๆแล้วเราจะได้ปล่อยวางร่างกายนี้ได้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้รู้ผู้คิดผู้กําลังพิจารณาร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกายร่างกายมันพิจารณาไม่เป็นมันคิดไม่เป็นผู้รู้ผู้คิดต่างหากคือใจนี้เป็นผู้คิดผู้พิจารณา แล้วผู้พิจารณาจะเป็นร่างกายได้อย่างไรมันคนละคนกันคนดูกับคนถูกดูเป็นคนเดียวกันนะใช่ไหมอ่าใจเป็นผู้ดูร่างกายเป็นผู้ศึกษาร่างกายเห็นต้องการต้องการศึกษาสอนผู้สอผนสอนผู้ดูให้ให้ไม่ให้หลงว่าไม่ว่าผู้ดูไม่ได้เป็นร่างกายผู้ดูเป็นเพียงผู้ดูแลร่างกายเป็นผู้รักษาร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ แต่ผู้ดูไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้นี่คืออนัตตาเป็นดินน้ำลงไฟต้องปล่อยให้เขาแก่เขาเจ็บเขาตายไปพอปล่อยได้จะไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายวิธีจะปล่อยก็ต้องไปหาความความตายกันไปอยู่ที่มันน่ากลัวที่คิดว่าเราจะตายพอเราคิดว่าเราจะตายก็อ่ะตายเป็นตายมะยอมตายพอยอมตายก็แสดงว่าปล่อย พอปล่อยแล้วมันก็หายกลัวหายทุกข์กับความตายนี่แหละก็จะได้เป็นโสดาบันขึ้นมาส่วนความเจ็บก็ต้องนั่งให้มันเจ็บเจ็บแล้วก็อย่าไปขยับให้มันหายเองเราไปสั่งมันไม่ได้มันมาเราสั่งมันไม่ให้มันมาไม่ได้มันมาแล้วสั่งให้มันไปก็ไม่ได้ตอนนี้เราทำได้เพราะว่าร่างกายเรายังขยับขยื่นได้ แต่ต่อไปเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจริงๆเราสั่งมันไม่ได้เั้นตอนนี้เราจะซ้อมไม่ก่อนซ้อม้อแบบเหมือนกับว่าเราสั่งมันไม่ได้ปล่อยให้ร่างกายมันนั่งของมันไปเราอย่าไปขยับมันเราปล่อยให้มันมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บมันจะหายก็ปล่อยมันหายมันจะไม่หายก็ปล่อยก็ปล่อยให้มันไม่หายเราอย่าไปยุ่งกับมันให้เราเฉยๆเราพุทโธพุทโธของเราไปอย่าไปอยากให้มันหายแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมัน เดี๋ยวมันก็หายของมันเองแล้วต่อไปเราก็จะไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเนี่ยพระโสดาบันก็ละสักกายทิฏฐิคือความหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราคิดว่าความเจ็บเป็นเราคิดว่าความตายเป็นเราความจริงมันไม่ได้เป็นเราเลยมันเป็นร่างกายทั้งหมดมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เมีไหมอาว่ามาคุยก <c oughs> ับน้องชายเกี่ยวกับว่าร่างกายของเรานี้เป็นที่อยู่อาศัยของจิตใช่ไหมคะอไม่ได้อาศัยจากความจริงเป็นเพียงแต่คนคนรับใช้จิตจนั้นเองเอแล้วน้องชาย <c oughs> ชถามมาว่าอพี่แล้วจิตอยู่ตรงไหนนั่นแหละจิตอยู่ในโลกทิพย์เหมือนกับที่เมื่อกี้พูดเนี่ยญาติโยมตอนนี้อยู่ที่ไหนผู้ที่ติดตามไยโฟนนี้อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ ที่อื่นใช่ไบางคนก็อยู่ที่สวีเดนบางคนก็อยู่อังกฤษแต่เชื่อมต่อกันได้ด้วย i iPhone จิตที่อยู่โลกทิพย์ก็เชื่อมต่อกับร่างกายด้วยวิญญาณวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมี5วิญญาณที่มาเชื่อมต่อมารับข้อมูลทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยตากำลังมองอยู่เนี่ยส่งไปให้ใจละแต่ใจไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในโลกทิพย์ โลก ท, ที่ที่พระพุทธเจ้าพราะสาวโกําลังอยู่กันตอนนีน้พวกเราก็อยู่ในโลกทิศกับพระพุทธเจ้าเพียงแต่เราอยู่แบบทุกข์อยู่แบบต้องมีร่างกายแต่พระพุทธเจ้าอยู่แบบไม่ต้องมีร่างกาย Chicken. ท่านเลยไม่ต้องส่งวิญ ญ, ญาณมาเกาะติดกับร่างกายเหมือนพวกเราเพราะเรายังอยากดูรูปฟังเสียงอยู่ก็ <YO UNG> ลเลยต้องส่งวิญ ญ, ญาณมาเกาะที่ตาเพื่อจะได้ดูรูปมาเกาะที่ ห, หูจะได้ยินเสียงเนี่ยจิตอยู่ตงนั้น ร่างกายตายไปจิตไม่ได้ตายตพีงแต่สัญญาณที่จะเชื่อมต่อก็ขาดไปแต่ถ้ามีความอยากก็จะส่งวิญญาณไปหาร่างกายอันใหม่ที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณพ่อแม่มาผสมกันรับได้ร่างกายก็ส่งมานี่เลยใช่มเนี่ยได้ร่างกายใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยพวกนี้พวกนี้เมื่อก่อนเป็นคนแก่ร right? ู้ไหมเนี่ยทิ้งร่างกายันเก่าไปเนี่ยแล้วก็มาได้ร่างกายันใหม่ ส่งส่งวิญญาณกระแสวิญญาณห้าวิญญาณเนี่ยมาเนี่ยมาที่ร่างกายมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็พอเชื่อมต่อปั๊บก็รับข้อมูลได้รับข้อมูลต่างๆรับรูปรับเสียงรับกลิล่นรับรสรับสัมผัสทางร่างกายได้แล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาจากการสัมผัสพอเกิดสุขก็เกิดอยากความอยากได้อยากให้มันสุขนานๆพอสัมผัสกับความทุกข์ก็อยากจะให้มันหายเร็วๆ ก็เลยเกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมานี่ยคือจิตของเราจิตพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่ในร่างกายอยู่ในโลกทิพย์แล้วเชื่อมต่อกันด้วยวิญญาณแล้วในโลกทิพย์นี้ก็มีหลายระดับเนี่ยมีระดับสวรรค์ระดับอบายระดับนรกนี่ถ้าใจเราร้อนใจเราทําบาศมันจะอยู่ระดับต่างระดับอบายระดับเปรตระดับนรกน่ ถ้าใจเราทำบุญใจเราจะเย็นจะสบายก็อยู่ระดับสูงเนี่ยโลกทิพย์ก็เหมือนคอนโดเนี่ยมีคอนโดร้อยชั้นอย่างเงี้ยใครมีเงินจซื้อชั้นสูงสุดเลยเนี่ยชั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานเนี่ยถ้าชั้นต่ำสุดก็คือนรกเนี่ยน่แหละอยู่ที่บุญที่บาปเราทำกันจะไม่เราอยู่คอนโดไม่ต่างชั้นกันร้อนมากหรือร้อนน้อยเย็นมากหรือเย็นน้อยอยู่ที่บุญแลืที่บาป ทำบาปมากก็จะร้อนมากทรมานมากทำบาปน้อยก็จะร้อนน้อยทรมานน้อยถ้าทำบุญน้อยก็จะเย็นน้อยทำทำบุญมากก็จะเย็นมากเนี่ยคือจิตของพวกเราทุกคนอยู่ในโลกทิศ ข, ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ในระดับระดับกันอยู่ที่บุญที่บาปที่เราทำกันถ้าเราทำบุญถึงขั้นสูงสุดขั้นพนันทีพานเราก็จะไม่ต้องขึ้นขึ้ น, น, น, นลงลง เพราะว่าเราจะตัดเหตุที่จะทำให้เรากลับมาขึ้นขึ้นลงลงได้ก็คือความอยากต่างๆนี่กาลความอยาการละตัณ ห, หาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาดีไห ม, มหมดได้ไหมอ้นนี้นอนะนัน น, นี้ไปปฏิบัติให้ได้นะได้มารายงาก็ได้เมาานะื่อไหร่ อ่าทางบ้านนั่งอันนี้เข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กวันนี้สูงสุด392ค่ะท่ะะ า, น า, นายูทรป50ค่ะชาลานน้อยยังยทงนีก็ไม่ม า, ท, าที่นี้เมื่อจะเข้าก็แบบยังไม่ได้เข้าเลยเนี่ยมีคำถามไหมอ่าเข้ามาเลยคำถามทาง f เฟซบุ๊กคำถามทาง YouTube จากคุณมีรพรค่ะการให้ทานแบบไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไข ซื้อให้ได้ไห้คนที่เราไม่ชอบไม่พอใจโดยให้เพื่อเอาชนะใจตัวเองที่ไม่อยากให้อย่างนี้เรียกว่าเมตความเมตตามเหมคะไม่หรอกถ้าจะเอาชนะเอาชนะความไม่อยากให้มันก็ไม่ใช่ความเมตตา ม, มันเป็นความชนะกิเลสถ้าความเมตตานี้ก็คืออยากใช้ให้เขามีความสุขเห็นเขาแล้วอยากจะเป็นมิตรกับเขา เล่นเราเจอใครเราก็มีของอะไรมาแจกเราก็แจกกันนี้เราเรียกว่าให้ด้วยความเมตตาแต่ให้เพื่อชนะใจเหล่านี้มันมันเป็นชนะกิเลส่ใหมดีกว่าก็ได้ทั้งสองอย่างมันก็ต้องต้องต้อ ง, องให้หลายหลายแบบด้วยกันถ้าตนีหัวงเราก็ต้องตัดความตันีตัดความหัว โลภอยากจะเอาเงินไปซื้อของไม่จําเป็นก็เอาเงินไปทําบุญเช่นอยากจะไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวนี่มาทําบุญดีกว่าพราะจะตัดความอยากไปเที่ยวได้ต่อไปเราจะไม่รู้สึกอยากไปเที่ยวแต่ถ้าเราไปเที่ยวเราก็ติดก็ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆแล้วแต่เหตุผลของเราแต่ต้องตัดหมดเนะี่ต้องตัดความอยากใช้เงินใช้ทองไปในทางที่ไม่ถูกแล้วก็ เราต้องสร้างความเมตตาถ้าเรามีเงินทองก็มีอะไรก็แบ่งปันกันไป<ม>จากคนที่เราชอบและไม่ชอบก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะคําว่าเมตตาคือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงหมายถึงคนที่เราชอบและคนไม่ชอบมไม่ใช่สัตตาเฉพาะวงเล็บคนที่เราชอบ<ม>คนที่เราไม่ชอบไม่สัตตาด้วยี้ไม่ไม่ใช่<ม>สัพเพแปลว่าสัรพสัตว์ ก็หมายถึงทุกคนทุกสัตว์มีทั้งสัตว์ที่มี4ี่เท้าเือสัตว์สองเท้าอย่างมนุษย์นี่หรือสัตว์ที่คำว่าสัตว์นี่ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉานหมายถึงดวงจิตดวงใจที่ยังเวียนว่ายตายเกิดนี้เราเรียกสัตว์ตรงนั้นก็เทวดาก็เป็นสัตว์อย่างหนึ่งเราก็สรเพสัตว์ตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายคือดวงจิตดวงวิญญาณทุกดวง ให้เราเป็นมิตรกันเผื่ออาจจะทำให้เข า, เาทำลายความเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้การความเมตตานี้อาจจะทำให้เขาที่มีจิตอาฆาตพยาบาทนี้อาจจะเลิอกอาฆาตพยาบาทก็ได้แต่ จ, จะได้ไม่ได้นี่อยู่ที่เขาแต่เราไม่ได้กังวลเราเพียงแต่ทำไปเพื่อให้เราเกิดความสุขใจ เวลาเราแผ่เมตตาและเวลาเราให้ความสุขกับผู้อื่นนี้เราจะมีความสุขใจนี่ทำนี่เพื่อให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจสบายใจเป็นหลักคำถามในอินบ็อกซ์จากคุณออค่ะปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะคือตื่นมาก็พยายามพุทโธอยากขอคำชี้แนะพระอาจารย์หากมีความคิดจอนเข้ามาอยู่เรื่อยๆ แล้วจิตเราก็ไหลไปรวมกับความคิดคิดจอนนั้นง่ายมากกว่าจะดึงสติกลับมาก็หลายไปนานกว่าจะกลับมาพุทโธอีกครั้งทําอย่างไรให้เรารู้ทันความคิดจอนได้ดีขึ้นคะก็ทําไปเรื่อยๆมันเดี๋ยวมันก็จะไวขึ้นดีกว่าไม่ทําเลยดีกว่าไหลไปกับมันไม่กลับเลยไปแบบไม่กลับไม่กลับมาหาพุทโธเลยถึงแม้ว่าจะไปแล้วยังยันได้สติกลับมากลับมาพุทโธ พอกลับมาพุโทโธก็ต้องพยายามหยิกตัวเองเนี่ยบอหยิกตัวเองว่าเฮ้ยอยู่กับพุโทโธอยู่พุโทโธอย่าไปกับความคิดใหม่ๆมันก็อย่างเงี้ยเหมือนชักกเยาะกันเนี่ยเขาสิบคนเราคนเดียวเราจะดึงเข้ามาได้ไหมเขาก็จะดึงเราไปนะแต่พอเ ร, เราพยายามพุโทโธเรื่อยๆก็เหมือนเราเริ่มสร้างกําลังขึ้นต่อไปแล้วก็มีสองคนสามคนต่อไปกําลังพุโทโธก็จะมีเท่ากับเขาพอเท่ากับเขาแล้วเขาก็ดึงไปไม่ได้นะ ต้องพยายามสร้างพุทธโธขึ้นมาการฝึกพุทธโธบ่อยๆนี้จะทําให้เกิดกําลังขึ้นมามากขึ้นไปตามลําดับเหมือนกับที่คนก็หัดวิ่งเนี่ยตอนต้นเขาวิ่งก็ได้แค่ร้อยเมตรก็หอบแลนะต่อไปก็ก็วิ่งสองร้อยเมตรได้เดี๋ยวก็วิ่งสามร้อยเมตรได้เพิ่มไปเรื่อยๆเพิ่มทีละนิดเทียบหน่อยพยายามพุทธโธไปเรื่อยๆเผลอเมื่อไหร่พอรู้ว่าเผลอก็กลับมาใหม่กลับมาพุทธโธใหม่อย่าหยุดก็แล้วกันะ กลัวจะเริ่มดีเริ่มแค่ช่วงแรกๆพอผ่านไปสักชั่วโมงนี้ไม่เอาละลืมละมันต้องพยายามทาไปทั้งวันจนถึงเวลาลนอนเลยจะทํามากทําน้อยก็ไม่เป็นไรขอให้มีให้มีได้ทํากันแล้วกันเผยก็พอรู้ว่าเผยก็ดึงกลับมาพุโทโธใหม่พุโทโธใหม่เหมือนกับเด็กที่ล้มลุกคลุกคลานเด็กนี่ยมันเดินได้ยืนได้เพราะว่าเนี่ยมันมั น, ม, นมันไม่ถอย มันมม น, ยายามนมม้มมันก็พยายามลุกขึ้นมาใหม่น้มมันก็พยายามลุกขึ้นมาใหม่เดี๋ยวในที่สุดมันก็ยืนได้เพราะมันอยากจะยืนอยากจะเดินเหมือนคนอื่นเราก็อยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระสาวกเราก็ต้องพยายามพุทโธกันพุทโธกันไปพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปพุทโธจะมีตลอดเวลาแล้วสามารถหยุดความอยากต่างๆได้มีประโยชน์มากพุทโธเนี้ท่านถึงบอกว่าความเพียรพยายามนี้สําคัญมาก ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่มีความเพียรความพยายามแล้วทำไรายได้เดี๋ยวเดียวก็ท้อแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเผลออยู่ด้วยไม่เอาดีกว่ามันจะไปดีกว่าได้ไงมันจะดีกว่าก็ต่อเมื่อเราพยายามต่อไปมีพุโทโธต่อไปแล้วต่อไปมีพุโทโธมากเท่าไหร่มันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าเราไม่เอาพุโทโธเลยมันจะไม่มีวันที่จะดีกว่ามันจะมีแต่เลวกว่า มาพีแล้วยุงกัดหล่อยให้ยุงกัดแต่กลัวติดเชื้อเอามือปัดได้ไหยคะแตกลัวทำไมเดี๋ยวก็ตายแล้วคิดอย่างนี้เออยากจะเป็นโสดามันไม่ใช่ปองตอนนั้นเลยเดี๋ยวก็ได้เป็นแล้วเพราะกลัวความตายปั๊บยอมตายเลยเอาจริงๆอาจจะได้เป็นโสดามันเพราะยุงกัดก็ได้เพราะมันเชื่อมันคิดว่าจะติดเชื้อจริงๆคิดว่าจะตายจริงๆพอคิดว่าจะตายจริงๆก็ตายก็ตายวะยอมตายเอ เป็นโสดามันได้เลยต่อไปจะไม่กลัวตายนะ้ะดีกว่าไปหาเสือหาอะไรนิมียุงมามาแย่เรามากระตุ้นความกลัวตายได้พอรู้ว่ากลัวตายครับยอมตายปับ๊บมันหายกลัวเลยคำ ถ, ถามจากเกฟซบุ๊กไลฟ์คำถามจากคุณวาสนาบ่อยครั้งยมฝันว่า หนีจากการถูกตามล่าต้องวิ่งหนีเหนื่อยมากพอตื่นมาจะรู้สึกเหนื่อยๆเพียะๆทำอย่างไรจึงจะไม่ฝันร้ายทั้งพี่โยมก็ปฏิบัติธรรมเดินจงกลมนั่งสมาธิทุกวันถ้ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นวิบากผลจากการที่เราไปทำบาปเามันเลยทำให้เราฝันร้ายถ้าเราอยากจะฝันดีเราก็ต้องทำความดีให้มากๆเอแผ่เมตตาก็คือทำความดีต่างๆทำบุญทำทานช่วยเหลือคนอื่น ทำให้คนอื่นก็มีความสุขอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปกำลังของความดีมันจะมีมากกว่ามันก็จะทำให้เราฝันดีฝันร้ายมันก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่ทำความดีเลยมันก็จะมีแต่เรื่องไม่ดีผุขึ้นมาตอนที่เรานอนหลับฝันร้ายไปเรื่อยๆคำถามจากคุณโต้งค่ะพระอาจารย์คะบวชชีพามไม่ต้องโกงผม แต่บวชชีจําเป็นต้องล ง, งผมใหม่คะอ่าถ้าบวชชีเขาเอาผมผมมัน <c oughs> <c oughs> นี่มันจะบวชชีทําไมก็บวชชีพาราหมณ์มันก็บอกอยู่แล้ว <c oughs> ถ้าอยากจะเป็นชีก็ต้องโกนหัวถ้าอยากจะเป็นพราหมณ์ก็ไม่ต้องโกนหัวคือคําว่าพราหมณ์ก็คืออยากจะเป็นอุบาสิกาอุบาสิกาก็คือถือศีลแปดไปนุ่งขาวห่มขาวก็ได้ไม่นุ่งก็ได้ความจริงงแต่เป็นธรรมเนียมที่นิยมกันว่าเมื่อถือศีลแปดก็ต้อง อย่างน้อยนุ่งขาวแล้วแล้วนุ่งดำห่มขาวนั่นก็นุ่งขาวห่มขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่ากำลังถือศีลแปดอยูอ่แต่ถ้าอยากจะเป็นลักบวชสมบูรณ์แบบเป็แนแม่ชีก็ต้องปล o ผมแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวถ้าอยากจะเป็นภิกษุณีก็รักษาศีลของภิกษุณีเลย แต่ว่าอย่าไปห่มเหลืองนะเดี๋ยวก็จะหาว่าเราเพียนมันเป็นลาย ส, ส, δα, สีขาวก็ได้เป็นภิกษุณีภิกษุณีขาวก็ได้ไม่ต้องเป็นพิกษุนีเหลืองก็ได้ไม่ต้องไป บ, ไปบอกเขาว่าเราเป็นพิกษุณีก็ได้เรารู้ของเราคนเดียวก็พอถ้าเรารักษาศีลองพิกษุนีได้เราก็เป็นพิกษุณีแล้วมันไม่ได้เป็นพิกษุณีเพราะว่านุ่งเหลืองหรือนุ่งขาวอยู่ที่การรักษาศีลอย่งพิกษุนีได้หรือเปล่าเคยไปอ่านดูไหมภิก สินของภิกษุณีเนี่ยลองเข้าไปเสริญในพระไตรปิฎกก็ได้เดีย๋ยวดูสินของภิกษุณีดูมันมีอยู่สามร้อยกว่าข้ อ, อมากกว่าพระเอของพระสองร้ยิบเจ็ดข้ อ, อแล้วสมัยก่อนวิธีที่จะเป็นภิกษุณีได้นี่ต้องถือสินศินสิบอยู่สองปีมั้งแล้วถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งต้องนับเริ่มต้นใหม่สมมติรักษามาได้เกือบอ ปีกับสิบเดเดือนนะมาทำผิดข้อหนึ่งต้องไปนับเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่จง ก, กว่าจะครบสองปีถึงจะให้บวชได้เขาต้องการเลือกเฟ้นคนที่บริสุทธิ์จริงๆคนที่มีความสามารถที่จะรักษาศีลได้จริงๆถึงจะอนุญาตให้บวชได้เนี่ยเป็นทุกข์สนียากมากกว่าเป็นพระรู้สึกกฎระเบียบละเอียดทียิบกว่าเลยพระนี่แค่สองยบแล้วก็ไม่ต้องเป็นทิ ไม่ต้องเป็น อ, อไม่ต้องถือศีลสิบก่อนอยากจะบวชก็บวชได้เลยแต่รู้สึกว่าพิกษุนี้นี่ต้องให้ถือศีลสิบก่อนเป็นอุบาสิกาถือศีลสิบไปก่อนเป็นสามเณรีหรืออะไรเนี่ยเขาเรียกไปก่อน <c oughs> สองปี ช, ชออาอฝ แต่ไม่ทราบว่าเขาจะจะจากสองปีก็ใส่เก้าเปอรเซ็นต์สามน้อยกว่าข้ อ, อแต่ก็ยังมีอยู่เพราะว่ามันยังเป็นประเด็นกันอยู่ว่าภิกษุณีจริงนี้มียังยังมีเหลืออยู่เปล่าก็าาตามประวัติศาสตร์ที่เขาจารยกไว้มันหมดไปนานแล้วอี่นี่เขาไปบวชกันที่นั่นที่นี่เขาอ้างว่ายังมีอยู่ก็เลยไม่รู้อืแต่มันเป็นเพียงประเด็นของการของสังคมมากกว่า ก็ให้คนเขารับรู้รับอรับรู้แล้วก็อาจจะเริ่มสายศรัท ธ, ธาแต่ความจริงถ้าเราเป็นของเราเองเราไม่ต้องให้ใครรับรู้ก็ได้เราก็รักษาศีลของภิกษุณีไปแล้วก็เป็นภิกษุณีแล้วแล้วถ้าเรารักษาได้แล้วปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปคนเขารู้เขาก็ศรัท ธ, ธาเราเองเหมือนพระพุทธเจ้าใครบวชในพระพุทธเจ้าไม่มีใครบวชในพพุทธเจ้าพระเจ้าก็ รักษาศีลของท่านไปท่านก็ปฏิบัติของท่านไปแล้วพอคนมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมจากท่านก็เกิดศรัทธาก็เคารพนับถือแล้วก็ขอบวชตามเขาขอเป็นพวกเดียวกันเพระนั้นมันมันไม่ได้อยู่ที่การบวชแบบอ่า formally แบบเป็นรูปแบบหรอกอันนั้นเป็นเพียงแต่รูปแต่ตัวการบวชที่แท้จริงอยู่ที่ตัวศีลนี่ถ้ารักษาศีลสองอยิบเจ็ก็เป็นภิกษุได้แล้วเนี่ยถ้าโยมไม่อ่านศีลของภิกษุ ตอนเรายี่สเจ็ดแล้วรักษาได้ก็เป็นภิกษุได้แล้ว <ใน S 1> โดยที่ <ใน S 1> ไม่ต้องบวช <ใน S 1> เราบวชที่ไหนเราเราก็บวชที่ใจไม่ใช่หรอกิเลสมันอยู่ที่ไหนอ่ะ<ม>กิเลกก็อยู่ที่ใจแล้วศีลรามาทําอะไรก็มาฆ่ากิเลนี่้ ม, ม, มันไม่ต้องให้ใครมารับรองแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องร่างกายเรื่องกินอยู่เนี่ยมันต้องอนายต้องมีมีเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบขึ้นมา เดี๋ยวกลัวคนเอื่นมันจะมาบวชเทียมแล้วก็มาอย่างที่ถูกตํารวจจับเนี่ยตอนเช้าก็กนตอนเช้าก็ห่มผ้าเหลืองออกไปบิณนาบาศพ อ, อกลับมาที่พักก็มานั่งเล่นไพ่กินเหล้ากันเ <c oughs> ขากลัวแบบนี้เข า, าเลยต้องมีการบวชให้มันเป็นรูปแบบเป็นที่ถูกต้องเป็นที่รับรู้กันแต่ถ้าเราบวชเพื่อฆ่ากิเลสไม่จําเป็นที่จะต้องแต่เราก็ต้องมีทรัพย์ของเราเองถ้าเราต้องเลี้ยงดูตัวเราเอง แต่ไม่เป็นเพศสุนีเป็นผู้หญิงตอนนี้มันไม่มีที่มีที่เข้ารับรองเลี้ยงดูเรานอกจากต้องไปอยู่กับวัดเนี่ยอยู่กับวัดล้วกาสายวัดอาศัยหลวงพ่ออาศัยพระเองช่วยเลี้ยงดูกันไปอะนอกนอกรููนอกทางไปหน่อยอท่าถามจากคุณป้อมพ่อของลูกป่วยนานมากไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลยนอนติดเตียงทุกข์ทรมานมาก แม่ของลูกพูดกับลูกว่าอยากให้พ่อพ้นทุกข์สักทีหมายถึงตายความคิดแบบนี้บาปไหมเจ้าคะบาปเพราะว่าความทุกข์พ้นจากทุกข์ไม่ใช่ความตายความตายไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกข์การดับกิเลส ต, ต่างหากจะทําให้เราพ้นทุกข์อย่างนีต้องทําการเข้าใจว่าฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นตายนี่ไม่ได้ทําให้เขาพ้นทุกข์เขาก็ต้องไปเกิดใหม่เขาก็ต้องไปทุกข์ใหม่อยู่ดี อย่างต่างประเทศฝรั่งนี่เขาชอบฆ่าเวลาสัตว์เลี้ยงเขารักขนาดไหนพอมันไม่สบายรักษาไม่ได้เขาก็เอาปืนยิงมันเลยเขาคิดว่าปวดความทรมานมันจริงม่าไม่ปวดหรอกมันมันจะทุกข์ไม่ทุกข์สัตว์ตัวนั้นมันอาจจะไม่ทุกข์ก็ได้ถ้ามันปรงได้ถ้ามันทําใจอยู่กับความความเจ็บไายได้ป่วยได้มันก็ไม่ทุกข์มันมันไม่ได้อยู่ที่ตายแล้วไม่ตายอยู่ที่เจ็บแล้วไม่เจ็บอยู่ที่กิเลตต่างหา ว้ามีหรือไม่มีไอเราต่างหากมีกิเลสเราเราเราไปทุกแทนเขาอะ่ะจนกระทั่งเราไม่อยากจะดูเขาอะ่พาะพอดูเขาที่ใดแล้วเราทุ ก, กเราก็เลยอยากจะฆ่าเขาพอเขาตายแล้วเราจะได้สบายใจความจริงไม่ได้ทําเพื่อเขาเราทําเพื่อเราดับความทุกข์ของเรามากกว่าความจริงเขาเราจะไปดูไหมเขาทุกหรือไม่ทุกเขาอาจจะเป็นโสดาบันก็นได้เงี้ยใช่ไหมเพราะโสดาบันเขาก็ไม่ทุกเขาอาจจะปรองได้แต่ช่วงนั้น ตรง ท, ที่ที่เจ็บที่ตายเนี่ยคนเราบันทีบรรลุธรรมในช่วงนั้นกันรู้รู้หรือเป่าเนี่ยพระพุพทธเจ้าก็บรรลุเจ็ดวันก่อนตายในในพระไตรปิฎกก็มีภาพบางรูปบรรลุบรบรลุในขณะที่อยู่ในปากเสือโดนเสือคาบนก็บรรลุเลยปงได้อะยอมตายอย่างนี้งั้นคนที่เขาเจ็บทรมานก็ อ, อาจจะปองแล้วก็ได้แล้วก็ไม่ทรมานแต่เรากลับไปทรมานแทนเขา เราก็ยอยากจะให้เขาตายเราจะได้หายทรมานไม่ได้ทําเพื่อเขารทําเพื่อเรางั้นอย่าไปทําร้ายใครปล่อยเขาไปตามธรรมชาติแต่ไม่รักษานี่ไม่เป็นการฆ่าเขาเช่นถ้าหมอใช้เครื่องหายใจใ ช, ใช้ใช้อะไรต่างๆใช้สายยงสายยางไม่ถอดออกหมดได้ไม่ไม่ได้เป็นการฆ่าเขาปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาอย่างนี้ทําได้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเขา ไม่รักษาท่านเลยปล่อยให้ให้มันอยู่ถ้ามันจะอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันถ้าแบบนี้อทําถูกอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ทํานันก็ทรมานเราจะได้ไปตามสภาพอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นไปหลายเดือนหลายปีบางคนนอนอยู่บนเตียงไปอย่างเงนี้แต่ทํำอะไรไม่ได้คําถามจากคุณอัมภัยค่ะถ้าเดินจงกรมแล้วปวดขามาก แบบนี้ควรเดินต่อหรือนวดแล้วภาวนาต่อดีเจ้าคะ่ะส่วนตัวชอบเดินภาวนาค่ะถ้าอยากจะบรรลุ ก, ก็เดินต่อไ <c oughs> <c oughs> ม่ชีมันกับมกับม่ชีมาเล่าให้ฟังออยโยไม่ได้มาติดตามทางบ้านห ร, อหรอือเปล่าไม่ชีวันนี้ไปอยู่ที่วัดที่เขาให้ไปเดินทุดงแล้วให้เดินเท้าเปล่าเธอบอกว่าโหเธอไม่เคยเดินเท้าเปล่านี่เดินไปแล้วโหมันเหมือนมันเจ็บบวดเป็นทรมานมากแต่ก็สู้มัน ตัวไเดินไปเท่าไที่สุดมันหายปวดเองหายเจ็บเองหายทรมานแต่ความเจ็บของร่างกายก็ยังมีอยู่ที่เท้ายังเจ็บอยู่แต่ที่ใจหายหมดเลยเนี่ยถ้าอยากจะบรรลุเนี่ยต้องทำอย่างนี้ต้องสู้กับความเจ็บอย่าหนีความเจ็บปล่อยให้มันเจ็บไปคำถามจากคุณป้อมการที่เราพบเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกกระทบติตใจเกิดความทุกข์ขึ้น แต่พยายามใช้สติมาลังับไม่ให้ทำใไม่ได้ทาในสิ่งที่อยากทำถือว่าลูกเริ่มมีปัญญาหรือยังคะถ้าฝืนความอยากก็มีปัญญาถ้ารู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราพยายามฝืนมันหยุดมันถ้าต่อไปเราหยุดมันได้ความทุกข์ทรมานจากความอยากนี้ก็จะไม่มีจะหายไปคำถามจากคุณเคนชิโร่ค่ะมโนอิทิ ที่เอาจิตไปดูนรกสวรรค์หรือไปกราบพระพุทธเจ้านั้นทําได้จริงไหมครับอันนี้เราไม่รู้ต้องไปถามคนที่เขาทาด้วย <c oughs> อันนี้มีจะถามอะไรหรเปล่าไม่ไม่มีใช่ไหมเ <c oughs> มคกี้จะถามอะไรหรื <c oughs> อเปล่าคำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามถ้าเรามีคู่ที่อยู่ด้วยกันเหมือนเพื่อนเลยไม่ได้อยู่เหมือนเป็นแฟนชอบทําบุญด้วยกันทั้งทางนศีลภาวนา ไม่เคยขัด ก, กันเลยสนใจไปแนวทางเดียวกันอย่างนี้รอจนวันที่คนใดคนหนึ่งพร้อมแล้วออกบวชต่างคนต่างแยกย้ายไปปฏิบัติก็ยังใช้ได้ใช่ไหมคะก็อยู่ที่ว่าเราทุกกับเขาหรือเปล่าถ้าอยู่แล้วไม่ทุกก็อยู่กันได้ถ้าอยู่แล้วทุกก็แสดงว่าเป็นกิเลสก็ต้องกําจัดทุกก็เกิดจากความอยากในตัวเขาอย่างใดอย่างหนึ่งแลวพอไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกกับเขาเขึ้นมา คำถามจากสามเณรที่ที่วัดค่ะพระอาจารย์ใช้เวลานานไหมครับถึงจะเข้าอุปจาระสมาธิอุจาระสมาธิแต่อุจาระสมาธิก็เข้าทุกวันอัปนาสมาธิได้และพระอาจารย์สึดตลอดเวลาเลยใช่ไหมครับทั้งยืนเดินนั่งนอนอันนี้ไม่ขอเป็นเต้าในการนะขอขอผ่านไป ให้หนูดีกว่าให้หนูตัวเราดีกว่าว่าเราใช้เวลานานเท่าไหร่จะได้สมาธิเหล่านี้มันจะเป็นประโยชน์กว่าไปดูว่าคนอื่นเขาใช้เวลานานเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ทําให้เราได้งั้นมาให้ความสําคัญกับการกับการเข้าสมาธิของเราจะดีกว่าพยายามมาพุโทโธพุโทโธให้มากๆแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าเองคําถามสักคุณสมาธิ พระอาารย์ขยายหรือแปลความหมายของคําว่าไม่ได้คำถามจากคุณสมาธิค่ะขอกราบพระอาจารย์ขยายหรือแปลความหมายของคําว่าภาวนามยะปัญญาหมายถึงอะไรเจ้าค่ะก็เนี่ยก็คือปัญญาคือความรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยาก แล้วก็สิ่งที่เราอยากนี่มันก็ไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา น, นี่เรียกว่าปัญญาแต่เรารู้แล้วแต่เรายังหยุดความอยากไม่ได้เพราะเราไม่มีสมถะภาวนาไม่มีสมาธิเราก็เลยต้องมาเจริญสติเพื่อให้เกิดสมถะภาวนาเกิดสมาธิขึ้นมาพอเราเกิดสมาธิเราก็มีภาวนาแล้วเมื่อเราเอาสมาธินี่มาบวกกับปัญญาที่เราได้เรียนรู้ มาใช้เราก็จะฆ่ากิเลสได้หยุดความทุกข์ได้ก็กลายเป็นภาวนามาย์ปัญญาขึ้นมาตอนนี้ปัญญาที่พวกเราฟังกันอยู่นี่เรียกว่าสุตตะมย์ปัญญาปัญญาที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังต้องอาศัยตัวนี้ก่อนถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็จะไม่รู้เลยว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากเราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแต่ตอนนี้เรารู้แล้วเราได้ฟังแล้ว แต่เรายังไม่สามารถเอาไปใช้หยุดความอยากได้ก็เพราะเรายังไม่มีสมาธิไม่มีสติเราก็เลยต้องไปปฏิบัติกันไปฝึกสติไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาได้แล้วพอเราออกมาพอเจอความอยากปั๊บเราหยุดมันได้เลยคำถามจากคุณจักรพันธ์ค่ะแม่ผมเสียไปแล้วแต่ผมนั่งสมาธิมักนึกถึงตอนที่แม่ป่วย นึกถึงเวลาที่แม่เจ็บปวดทรมานและจิตก็จะเศร้าหมองทุกครั้งผมควรจะทำใจอย่างไรดีครับก็อย่าไปคิดเลยใช้พุทโธหยุดมันพุทโธพุทโธไปเวลานั่งสมาธินี้ต้องมีอะไรกากับใจอย่าปล่อยให้ใจผลิตความรู้สึกนึกคิดต่างๆขึ้นมาเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นกิเลสมันจะทาให้เราเศร้ามองไปเปล่าๆหรือทาให้เราหลงถ้าผลิต ภาพที่น่ากลัวก็ทำให้เรากลัวขึ้นมาภาพที่สวยก็ทำให้เราติดอยากจะเห็นอยู่เรื่อยๆของเหล่านี้ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการทำให้ใจเราเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาเราต้องการความว่างความสงบความนิ่งความเป็นอุเบกขาเพราะมันจะทำให้ใจเราเป็นสมาธิเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาได้ ถามจากคุณนภพลเมื่อเราทำสมาธิจนเกิดสมาธิแล้วการที่เรามองดูความคิดของตัวเองที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีสังเกตนั่งมองดูไปเฉยๆสักพักอารมณ์ก็เกิดเราเห็นความคิดภายในใจเราอย่างนี้การที่เราทำได้ในลักษณะนี้เราเดินทางมาถูกแล้วหรือยังครับเราก็ยังต้องดูที่ความอยากว่าเวลาเกิดความอยากเราหยุดมันได้หรือเปล่า ถ้าหยุดไม่ได้ก็ยังยังไม่ยังไ ม, ยงไม่ยังไม่สําเร็จถ้าหยุดได้ก็ถือว่าสําเร็จไป ท, ทีละขั้นทีละขั้นไปครับถามจากคุณกัญญานต์ตอนนี้อารมณ์กลัวตายยังไม่เกิดตายก็ตายไปเพียงมีแต่ความรู้สึกว่าถ้าตายลงแม่คงเสียใจเพราะสองสารแม่อีกความรู้สึกคือนับจากนี้ไปจะไม่ จะไม่บูชาสิ่งอื่นนอกจากพระรัตนตรัยเท่านั้นขอโอกาสทําแนะนําเพิ่มค่ะก็เมื่อถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสอนะเป็นอาจารย์แล้วก็ต้องศึกษาพระศึกษาคําสอนของพระรัตนตรัยแล้วก็นำเอาคําสอนของพระรัตนตรัยไปปฏิบัติเช่นเริ่มทําทานให้มากขึ้นทุกครั้งที่ยามเงินไปเที่ยวก็ไปทําทานทุกครั้งที่ยามเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยก็ไปทําทานนะ แล้วก็รักษาศีลงห้าไปก่อนรักษาศิ่งห้าได้แล้วก็ขยับรักษาศิ่งแปดแล้วก็หัดจเจริญสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับ mm hmm. นี่เรียกว่าเป็นการเดินตามเดินตาม พ, พระรัตนนาจัยหรือ hmm. เรียกว่าการถือพระรัตนนาจัยเป็นที่สารณะเป็นที่พึ่งต้องถือด้วยการปฏิบัติไม่ใช่ถือด้วยปากเปล่าปากก็ว่าพุทธทางสนางกระช้านี้ไปเย็นก็เดินสุลาไปอ mm hmm. หรือเอาเงินไปเที่ยวกันไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันอันนี้เขาเรียกว่าถือรัฒน์ตายด้วยปากไม่ได้ถือด้วยการปฏิบัติถ้าถือด้วยการปฏิบัติต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาหมดเลยอย่าง อ, าอ้อยของคำถามค่ะคำถามจากคุณชิรารศค่ะปลูกผักแล้วหอยทากมากินผักถ้าจัดไปไว้ที่อื่นไม่ให้มากินผักเราจะบาปไหม จับเขาไปที่อื่นคงตายแน่นอนแล้วผมจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเพราะเรากันย้ายที่อยู่เขาไปเราจะไปรู้ไงเขาตายแน่นอนเขาอาจจะไปหาอะไรกินอย่างอื่นก็ได้แต่ก็ไม่มีกินก็ถือว่าเขาเกิดแล้วก็ต้องตายไปแต่ไม่ได้ตายเพราะเราไปฆ่าเขาคํถาถามจากคุณณพล ถ้าเราเลี้ยงปลาไว้ทำเป็นอาหารหรือสั่งปลาที่ชาวบ้านไปหามาได้มาทำเป็นอาหารจะเป็นบาปหรือไม่ครับบาปถ้าเราสั่งเขาฆ่าก็ดีหรือเราฆ่าเองก็ดีบาปแต่ถ้าเราไปซื้อของที่ตายแล้วในตลาดนี้ไม่บาปถ้าเราไม่ได้ไปสั่งแม่ค้าให้ฆ่าไว้ล่วงหน้าก่อนเองแต่ตเดินไปดูตามตลาดมีของตายเราก็ซื้อมาอย่างนี้ไม่บาปแต่จะไปสั่งว่าพรุ่งนี้เอาไก่สามตัวงนี้ถ้าอย่างนี้บาป